บทที่หนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดเห็นไม่ถนัดนักว่ามีเหยื่ออะไรชนิดหนึง่งคาบไตปากมันมาด้วยแล้วมันก็ทิ้งโครมลงไปในรังอันมีลูกซึ่งกำลังขย ე ะขยงอ้าปากแดงอยู่น้ำหนักของเหยื่อที่ถูกโยนลงไปและการเคลื่อนไหวตัวของลูกนกทั้งสองที่ทลาเข้าหาอาหารทำให้ผงละอองและเศษไม้ที่ทำรังร่วงพลูออกมาจนทำให้รพินและมาเรียรต้องยกมือขึ้นบังหน้าไว้ ป้องกันไม่เศษผงเข้าตาทั้งสองหมอบฟุบลงเคียงข้างกันอีกครั้งท่ามกลางเสียงอื้ออึงโครมครามของครอบครัวเจ้านกยักษ์เหนือศีสะที่เคลื่อนไหวอยู่ในรังของมันสัญชาตยาณแห่งการหลบภัยทำให้ระพินต้องลากตัวมาเรียคลานเบียดเข้าหาซอกขินใกลๆ้ๆหลบตนเองไม่ให้เป็นเป้าเด่นต่อสายตาเบื้องบนซึ่งอาจเลืบลงมาพบได้ทั้งๆที่คานวณจากสายตาแล้วก็เห็นชัดอยู่ว่า ขนาดอันใหญ่โตของมันถึงยังไรเสื้อก็ไม่มีทางที่จะบินโฉบลงมาทางกล่องแคบนั้นได้แน่นอนมีน้ำซ้ำยังมีรังของมันเองบังปากปล่องเป็นเครื่องพรางตาอีกชั้นหนึ่งต่างแอบก้อนหินตะลึงมองภาพนั้นอยู่อย่างตัดสินใจเช่นไรไม่ถูกมองลอดขึ้นไปจากพื้นรังด้านใต้คงเห็นภาพไม่ั น, นัดอยู่เช่นนั้นรู้สึกต่เพียงว่าเจ้าลูกทั้งสองตัวตะกายเข้าหายือ เสียงมันอ้าปากจิกถึงพยายามจะฉีกและขยอกเข้าปากอันหิวโหยทรงเสียงร้องกล้องไปพลาเอ็ดอึ้งไปหมดมาเรียจ้องตาคางบีบแขนเขาแน่นโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เช่นนั้นแทบจะลืมหายใจไปชั่วขณะโอนเด่นอีกก็ลอนขยับริมฝีปากหมุบหมิบแทบไม่มีเสียงผ่านลำคอย้ำประโยคเดิมมันเป็นนกอินทรีพันใหญ่และดูร้ายที่สุด ศูนย์พัน์ไปจากโลกมีนานแล้วละ่ะแตระพินพึรพมออกมาเป็นภาษาไทยว่าครุษนี่แหละครุษในจินตนิยายเจอเขาให้แล้วจนได้คุณว่าอะไรนะเปล่าคุณคิดบ้างไหมเมเสียงปืนของพวกเราเมื่อกี้อ่ะเสียงของเขาแหบเหือดหายไปมาเรยิ่งหน้าขาวเผือด หลอนโต ก, ตกใจจนตัวสั่นเทามันเล่นงานพวกเรานั่นเองใช่แล้วระพินขาดเสียงอุทานของมาเรียของเหลวคนชนิดหนึ่งก็หยดจากพื้นรังร่วงลงมากระทบแงหินเหนือศีรษะเล็กน้อยกระเซ็นฝอยของหยดของเหลวชนิดนั้นปริวกระเด็นมาเปิดอที่หน้าและศีรษะของคนทั้งสองมาเรียเอามือป้ายจากรอยที่มันกระเด็นมาถูกตรงซอกค อ, อขึ้นมาดู แล้วตาเลือกมีอาการเหมือนจะชอ็อกรพินก็เห็นพร้อมกันด้วยหัวใจแทบจะหยุดเต้นเลือดเขาร้องออกมาพร้อมกับแงนขึ้นมองอีกครั้งด้วยประสา ท, ทุกส่วนซึ่งยึดเกลียวเขม็ม็งแทบจะขาดสะบัน้นถูกแล้วมันคือหยดเลือดเลือดจดจดนางแม่ค้าบยื อ, อะไรชนิดหนึ่งมาให้ลูกในรังซึ่งรวมกันจิกถึงอยู่ในขณะนี้ พร้อมกันหยาดเลือดที่ทะลักไหลผ่านพื้นรังลงมาก่อนหน้านี้ไม่เกี่อึดใจมีเสียงของการยิงต่อสู้ของกลุ่ ม, มนุษย์อันเป็นพรรคพวกของเขานั่นเองก็เลือกจะให้เข้าใจว่ายังไงคนใดคนหนึ่งในคณะกลายเป็นเหยื่อถูกขาามาให้ลูกของมันฉีกเนื้อขยอกอยู่ในขณะนี้หรือศพอยู่บนรังเหนือสีสะของเขากมาเรียขึ้นไปในขณะนี้หรือยังไง ความสังหรณประวันวาดของมารียมนี้ย่อมตรง ก, กันกับเขาทุกประการทั้งสองหันมาจ้องหน้ากันนิ่งด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกแม่สาวประสานมือทั้งสองกำแน่นอ้าปากกัดหลังมือของตนเองไว้เหนือหัวบนรังยังเป็นเสียงของความวุ่นวายของเจ้าลูกนกทั้งสองตัวนั้นเซซำฟังไม่ได้สับเสียงตัวแม่ขยับปีก เสียงพื้นรังไหวหุงละอองก็คงปลิวร่วงลงมาเป็นสายไม่ขาดระยะเลือดสดๆไหลปรีหยดลงมาอีกคราวนี้เป็นสายที่กระทบแงหินดังยุ่มะแ ม, แม่ระพินกัดริมฝีปากแน่นพยายามควบคุมสติไว้แล้วหันไปพิจารณาหยดเลือดที่ไหลลงมาอย่างมากมายเรากับใครเชื่อดคอวัวทิ้งลงมาเหล่านั้นอีกครั้ง เอื้อมมือไปปาดขึ้นมาขายี่แล้วยกขึ้นดมสีหน้าเริ่มชะโ ง, งนเมผมรู้สึกว่าจะไม่ใช่เลือดมนุษย์นะก็มันคาบศพของพวกเราคนใดคนหนึ่งมาให้ลูกมันรุมไย่รุมฉีกขยอกเนื้อกินอยู่นั่นมาเรียพูดเสียงสัน่นจอมพรานดมอีกครั้งแล้วหรีตาลงสั่นสีสษะช้าๆค่อยๆแงนมองขึ้นไปจับอยู่ที่พื้นใต้รัง ที่เห็นเงาของลูกนกยักษ์ทั้งสองเคลื่อนไหวพลาววันอยู่ข่าวเลือดของมนุษย์มันมีกลิ่นอีกอย่างหนึง่งที่มันค้าบันน่จะเป็นศพของพวกเราคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่ผมก็บอกไม่ถูกแต่รู้แน่แ่ว่าเลือดที่หยดลงมานี่ไม่ใช่เลือดคนแน่นอนก็แล้วงั้นมันเป็นเลือดจากอะไรน่ะเลือดจากไหนแม่สาวมึนงงไปหมดพยายามจะขยี้ดมพิสูจน์บ้าง สังเกตให้ดีนะเมยถ้าเลือดจากร่างกายมนุษย์เรามันจะไม่มากมายถึงเพียงนี้หรอกผมคิดว่าอาจจะเป็นเลือดของมันน่แหละมันอาจจะถูกปืนของพวกเราเข้าแล้วและอาจจะเป็นแผลชะกันด้วยนักโบราณชีาศาสตร์สาวลืมตากว้างขวัญและกาลังใจเริ่มจะดีขึ้นในทันทีแต่ข้าวหน้ายังไม่แสดงว่าแน่ใจนักก็แล้วแล้วแล้วยื่ที่มันคาบมานั่นละ่ะ เราก็ยังเห็นไม่ถนัดนะว่ามันเป็นอะไรกันแน่รูปร่างเงาเงาที่เราเห็นจากข้างล่างนี่มันไม่น่าจะเป็นร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมนุษย์เลยนะแต่สิงใจเรียรพินเราจะทำยังไงกันดีทางออกของเราอยู่ตรงปากปล่องที่มันํำรังอยู่พอดีด้วยสิจอมพรานค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นคว้าไรเฟิลขึ้นมาปากปล่องด้านบนทามุมกับที่เขาและมาเรียหลบอยู่ขณะนี้เจ็ดสิบองศา ะระยะห่างขึ้นไปเพียงไม่กี่ว่าถ้าหากว่าเจ้าสัตว์ปีกตระกูลฟันค้อนตัวนั้นโผล่ออกมาให้เห็นถนัดชัดเจนเมื่อไหร่หรือแม้แต่เห็นจุดสําคัญของมันที่จะยื่นลำออกมามันจะตกเป็นเป้าหมายอย่างเผาขนที่สุดและไม่มีวันพลาดไปได้เลยข้ามซะก่อนแล้วเราจะปีนขึ้นไปทางนั้นเขาบอกพร้อมกับขยับลูกเลือ่อนแง้มดูกระสุนที่บรรจุพร้อมอยู่ในรังเพลิง แม่สาวก็กระโดดขึ้นมาเคียงข้างด้วยปืนคู่มือต่างเงนรอคอยจังหวะอยู่เพราะในขณะ น, นี้เห็นแต่ลำขาและปลายปีกข้างหนึ่งเท่านั้นที่โผล่ออกมาคเนจจักเสี่ยวส่วนที่เห็นถึงแม้ว่ามันเป็นนกอินทรียักษ์ขนาดของมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหูลานจนเกินไปนักเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์พันยักษ์แห่งโลกล้านปีซึ่งได้ผ่านพจญนภัยกันมาแล้วริงอยู่ ขนาดน้ำหนักตัวและพละงกำลังของมันพอที่จะโฉบควายทั้งตัวให้ติดกรงเล็บเอาไปเป็นเหยื่อได้เหมือนเหยี่ยวโฉบหนูก็จริงแต่ก็คงไม่ทานแรงประทะและอนุภาพประหัตประหารของไรเฟิลขนาดใหญ่ไปได้แน่นอนเพราะอย่างมากก็หนักเพียงไม่เกินสามตันเป็นอย่างสูงหรืออาจไม่ถึงโดยวัดจากขนาดของรังที่ทาขวางคล่อมปากกล่องอยู่ในขณะ น, นี้อึดใจต่อมานั่นเอง ก็ปรากฏเสียงมันโผทะยานขึ้นจากตำแหน่งที่ยืนเกาะอยู่บินวูบละหายไปเสียงลมปีกพัดกระพืออื้ออึงขึ้นไปยังอากาศเบื้องสูงเหมือนพายุห่างไกลออกไปเป็นลำดับระพินเงี่ยหูจับเสียงปีกอันกระพือตัดอากาศนั้นอย่างตั้งใจสดประสาทอันฉับไวชำนานของเขาบอกกับตนเองว่า มันไม่น่าจะเป็นเสียงบินของเจ้าตัวที่เกาะให้เห็นวับแวมอยู่เมื่อตะ ก, กี้นี้เพียงตัวเดียวที่บ่ายหน้าไปทางใดทางหนึ่งหากแต่น่าจะมีอยู่อีกเสียงหนึ่งคล้ายๆกันปรากฏขึ้นพร้อมกันด้วยแต่ห่างจากบริเวณรังออกไปอีกทางหนึ่งคล้ายๆจะมีอีกตัวหนึ่งบินร่อนเป็นวงกลมและจับเกาะพักตัวอยู่บนก้อนหินไม่ไกลรังออกไปเท่าใดนัก จากนั้นก็เป็นเสียงลับจะงอยปากกับแง่หินและเสียงสะบัดขนมันไปแล้วคงจะหวนกลับไปเล่นงานพวกเราที่เหลืออีกมาเรียกระซิบมือทั้งสองถือไรเฟิลชูในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะใช่ตัวที่เกาะอยู่ให้เห็นอยู่ตะ ก, กี้นี้บินไปไกลแล้วใต่ตัวนึงยังเกาะอยู่ใกล้ๆรักอาจจะเป็นชะงอนเห็นลูกใดลูกนึง ไม่ห่างออกไปนัก น, นี่หมายความว่ามันมีสองตัวเหรอคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะผมได้ยินเสียงอีกตัวนึงกระพือปีกเล็มลับจะงอยปากกับหินมันโผล่ขึ้นบินในบางครั้งเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเหมือนอย่างตัวแรกบินวนอยู่ใกล้ๆรังนี่แหละแต่ไม่ได้โผล่มาเกาะที่รังเหมือนตัวแรกถ้าตัวแรกมันบินไปเล่นงานพวกเราอีกประเดี๋ยวก็คงได้ยินเสียงปืน แทบจะไม่ทันขาดเสียงของจอมพรานทั้งสองก็ได้ยินเสียงระเบิดทีระรัวของปืนดังแซ่ซัมประสานกันแทบจะนับนัดไม่ได้ขึ้นอีกครั้งคราวนี้ถนัดชัดเจนยิ่งกว่าที่ได้ยินมาแล้วมันมีทั้งไรเฟิลและลูกซองทิศทางที่มาของเสียงยังกําหนดไม่ได้เพราะอยู่ในก้นปล่องเช่นนี้รู้แต่เพียงว่ามันห่างออกไปเพียงไม่ถึง1กิโลเมตรเอาเข้าจริงๆด้วยสิ มารียร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวเป็นเรากระสับกระส่ายไปหมดระบินเองก็แทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่ได้หมุนคว้างอย่างทําอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเพราะได้ยินแต่เสียงและคาดคะเนเหตุการณ์เท่านั้นไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาตนเองว่าเหตุการณ์ประจัญบานระหว่างพวกพ้องเบื้องนอกกับเจ้าสัตว์ปีกที่ดํำรงความเป็นเจ้าอากาศนั้นดําเนินไปในสภาพไหนแต่ฟังจากเสียงปืนรู้สึกว่ามันจะเป็นปืนหลายกระบอก ซึ่งระดมยิงขึ้นพร้อมๆกันไม่ต่ำกว่าห้ากระบอกขึ้นไปแสดงว่าคนเหล่านั้นมีกำลังรวมกันอยู่เป็นหมู่คณะพร้อมหน้ากันหลายคนพวกเราจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สิโอ้เจ้าขอให้พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเราด้วยปืนเสียงปืนลั่นนัวอยู่เพียงชั่วอึดใจเดียวก็เงียบสงบลงอีกตามเคยอย่างเต็มไปด้วยปริศนาที่เดาอะไรไม่ได้ ท่ามกลางหัวใจอันเต้นระทึกไม่เป็นส้ำของระพินและมาเรียซึ่งเงี่ยหูฟังการเคลื่อนไหวทุกชนิดจากโลกเบื้องนอกแววลงมาให้ได้ยินอันเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้ในขณะนี้พักใจที่เดียวของการเฝ้าจับเสียงไม่ปรากฏว่าจะได้ยินเสียงกระพือปีกของเจ้าตัวที่บินพละห่างไปเมื่อยกยกนี้อันเป็นตัวเดียวกับที่สันนิฐานว่าหวนกลับไปเล่นงานฝ่ายมนุษย์ซ้ำสอง มันคว้าพวกเราได้มันก็ควรจะหวนเอาเหยื่อกลับมาที่รังใช่ไหมระพินยังความเห็นเพื่อนผู้ร่วมสถานการณ์ของเขามันอาจบินไปทางอื่นก่อนก็ได้หรือไมฉะนั้นก็ควรจะถูกพวกเรายิงร่วงไปแล้วจากเสียงปืนเมื่อยกๆนี่ผมสังเกตจากเสียงว่าเสียงยิงหนานแน่นมากหลยกระบอกทีเดียวนะแล้วก็จริงดังว่า ไม่ปรากฏว่าจะมีวิเวลย้อนกลับมารังของเจ้าตัวนั้นคงมีแต่เสียงขยับกระพือปีกเบาๆอยู่กับที่ของอีกตัวหนึ่งซึ่งรพินสงสัยว่าจะเกาะอยู่ไม่ห่างรังเท่าใดนักเจ้าตัวนั้นยังคุมเชิงอยู่ใกล้รังลูกอ่อนของมันนั่นเองไม่ได้ละห่างไปไหนอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งฉันคลุกใจแทบระเบิดอยู่แล้วนรพินได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหรือรู้เหตุการณ์แน่อะไรทั้งสิ้น รีผาทางออกไปพ้นจากปล่องนี่เร็วเถอะแต่เราจะขึ้นไปได้ยังไงมันสูงชันเหลือเกินไม่มีที่จะเกาะไปยินได้ซะด้วยมาเรียพูดอย่างร้อนรนจอมพรานตัดสินใจเด็ดขาดในทันทีนั้นเขาเองก็ตกอยู่ในภาวะอันร้อนรุ่มเช่นเดียวกับมาเรียจัดการวางไรเฟิลลงพิงก้อนหินไว้ปลดเครื่องหลังออกดึงปืนสั้นจุดสี่ีแมกนัมจากย่ามออกมาตรวจดูกระสุนแล้วเหน็บเข็มขัดไว้ จากนั้นก็ต่อเชือกไนล่อนสองเส้นของเขาเองกับของมาเรียให้มาเป็นเส้นเดียวกันปลายด้านหนึ่งผูกติดกับตะขอเหล็กสี่แฉกอันมีลักษณะเป็นสมอบกเครื่องมือสำหรับไต่เขาซึ่งมีติดประจำตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลาในย่ามหลังถือขดเชือกไว้ในมือซ้ายอีกมือหนึ่งจับปลายด้านที่ผูกติดตะขอยกขึ้นแกวนพอได้จังหวะก็เวียงตะขอลอยละลิ่วขึ้นไปคล้องติดกับไม้ท่อนหนึ่ง ของรังนกอินซีเป็นไม้ท่อนใหญ่ขนาดขาอ่อนทอดพาดปากโพรงอยู่แล้วทดลองดึงโหนเชือกจนแน่ใจว่ามันสามารถยึดติดกับไม้ท่อนนั้นอย่างเหนียวแน่นที่สุดพอจะทานน้ำหนักตัวให้ไตโหนขึ้นไปได้โดยไม่หลุดผมจะไต่ขึ้นไปก่อนนะเมย์เขาบอกโดยเร็วขณะที่จับสายเชือกกระตุกดึงอีกสองสามครั้งจนแน่ใจที่สุดเมื่อผมขึ้นไปถึงบนนั้นแล้ว คุณจัดการเอาปลายเชือกด้านนี้ผูกมัดไรเฟิลและเครื่องหลังทั้งของผมและของคุณให้แน่นแล้วผมจะชักรอกขึ้นไปและจากนั้นคุณค่อยไต่ตามขึ้นไปเข้าใจไหมมาเรียนแงหน้ามองขึ้นไปยังตำแหน่งที่ตะขอผูกปลายเชือกยึดติดอยู่กับท่อนไม้ของรังเจ้านกยักษ์อีกครั้งกระดึกน้ำลายลงคอฝุดฝุมันหมายความถึงว่าคุณจะต้องปีนผ่าขึ้นไปกลางรังของมันทีเดียวนะ หรือคุณคิดว่ามีทางเลือกอื่นแล้วไหมอีกตัวหนึ่งถ้าไม่ใช่พ่อหรือแม่ของมันยังคุมเชิงอยู่ไม่ห่างรังนักนะถ้ามันเห็นคุณในทันทีที่โผล่ขึ้นไปมันจะเล่นงานคุณทันทีแล้วไม่ต้องเป็นตัวพ่อตัวแม่มันหรอกขนาดเจ้าลูกสองตัวที่กำลังหิวอยู่นั่นฉันก็เชื่อว่ามันฉีกเนื้อคุณได้อย่างไม่ยากนะแต่เราต้องเสี่ยงไหมทาไมคุณไม่เอาไรเฟิลติดตัวขึ้นไปด้วย จอมพรานสั่นศีสันไม่มีประโยชน์อ่ะหนักเปล่าแล้วก็เกะกะด้วยดีไมด่ดีตกลงมาตายคุณไม่เห็นเหรอผมจะต้องไต่เชือกเล็ ก, เลกๆเพียงเส้นเดียวขึ้นไปมีหนําซ้ายังจะต้องปีนขึ้นไปบนรังมันอีกด้วยตลก่อนที่จะถึงขอบหินปากปล่องถ้าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นผมไม่มีทางจะใช้ไรเฟิลได้หรอกผมมีปืนสั้นอยู่นี่และจําเป็นอย่างไรก็ยังพอปะทะได้สําหรับไอ้ลูกนกสองตัวนั่นแต่ถ้าหากระหว่างนั้น ไอ้ตัวใหญ่มันพุ่งมาเล่นงานคุณยิงคุ้มกันให้ด้วยนะเมย์สีหน้าของมาเรียเต็มได้วยความหนักใจแต่ก็ยิ้มออกมาแข่นๆตามนิสัยของหล่อนถ้ามีโอกาสฉันจะยิงคุ้มกันให้คุณได้เสมอแต่กลัวจะไม่มีโอกาสเสมากกว่านะคุณไม่เห็นอะเมื่อคุณขึ้นไปถึงบนนั้นนะและฉันยังอยู่ก้นปล่องนี่รัศมีการมองเห็นเท่ากับรัศมีลูกปืนที่จะคุ้มกันของฉัน มันจำกัดอยู่เพียงแค่ช่องว่างปากปล่องนั่นเท่านั้นฉันจะเห็นมันได้ก็แปลว่ามันจะต้องพ้นปากปล่องออกมาแล้วถ้ามันพ้นปลอกปล่องมาเมื่อไหร่ก็คงจะเข้าถึงตัวคุณเมื่อนั้นเอาละฉันเชื่อมือและเชื่อในความเห็นของคุณขึ้นไปเถอระรพินเราไม่ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้ะระวังตัวให้ดีแล้วกันฉันคิดว่าเมื่อใต่ใกล้รังขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยขั้นแรก คุณค่าไอ้ลูกนกยักษ์สองตัวนั่นซะก่อนที่จะปีนขึ้นมาบนรังดีกว่าพรานใหญ่ไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิน้นโหนตัวไตาตามสายเชือกนั้นขึ้นไปทันทีโดยใช้กําลังข้อออกแรงพากายขึ้นไปอย่างระมัดระวงังเท้าทั้งสองเหยียบยันกับพื้นผนังปล่องเป็นเครื่องพยุงตัวขึ้นไปความหวังของเขาอยู่ที่การขึ้นไปให้ถึงรังของมันอย่างเงียบกริบแผ่วเบาที่สุด โดยที่ลูกนกทั้งสองตัวรวมทั้งเจ้าตัวใหญ่ที่คุมเชิงอยู่ใกล้ๆอีกตัวหนึ่งไม่ทันรู้แล้วก็ให้มารียาส่งไรเฟิลขึ้นมาให้ถึงมือเมื่อไรเมื่อนั้นปัญหาทั้งหลายก็ย่อมจะหมดสิ้นไปทันทีสําคัญอยู่แต่ว่าเขาจะไต่ขึ้นไปบนรังของมันได้อย่างไรโดยที่เจ้าลูกนกทั้งสองไม่หันมาเห็นเหยื่อ อ, อันโอชะและอ้าปากรา่าเข้าใส่ซะก่อนเหมือนอย่างเห็นหนอนที่ขยอกกลืนได้ง่ายๆตัวหนึ่ง ส่วนจะยิงสอยทะลุใต้รังขึ้นมาเพื่อสังหารมันให้ดับดิ้นไปซะก่อนก็เกรงว่าเสียงปืนและความผิดปกติจะแวววไปถึงเจ้าตัวใหญ่ที่เกาะอยู่ไม่ห่างนักเรียกมันให้บินทลาลงมาคอยดักซึ่งเมื่อนั้นก็แปลว่าทั้งสองคนจะไม่มีโอกาสโผล่หัวขึ้นมาพ้นปากปล่องได้เลยมารียืนคอยระวังดูเขาอยู่เบื้องล่างด้วยตาอันเบิกกว้างไม่กระพริบไรเฟิลถือกระชับอยู่ในมือ พร้อมที่จะระเบิดกระสุนออกไปในพริบตาใดพริบตาหนึ่งหลอนแทบจะไม่หายใจในขณะนี้ชั่วไม่กี่อึดใจจอมพรานก็โหนตัวขึ้นมาถึงท่อนไม้ที่สายเชือกอันมีสมอบกโยนขึ้นมาเกี่ยวพันไวเขาสุดลมหายใจลึกเรียกร้องพละกําลังอันอ่อนเปรี้ยแทบจะสิ้นเรี่ยวแรงนั้นกลับคืนมาอีกครั้งและเปลี่ยนมือจากเส้นเชือกไปโหนกิ่งไม้ส่วนประกอบของรังอันเป็นบริเวณริมด้านทรายไว้ขึ้นข้ออันสันดิก กัดฟันดึงกายขึ้นไปเอาอกพังภาพกับไม้ท่อนนั้นเมื่อ น, นั้นเองในระยะที่ห่างออกไปเพียงไม่เกินสองวาสายตาอันฟ้าฟลายไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยของเขาก็เลยเห็นสภาพบนพื้นรังอันรกเกะกะไปด้วยเศษขนเศษกระดูกและมูลของมันพร้อมกับกลิ่นสาบสางที่คลุ้งเข้าใส่จมูกแทบจะสลบสิ่งแรกที่มองไปเห็นและจําเป็นจะต้องคํานึงถึงก่อนอื่นใดก็คือไอ้ลูกนกยักษ์ทั้งสองตัว ซึ่งนอนหมอบห่อตัวเบียดกันอยู่ริมรังด้านขวาโอ่งขนาดใหญ่เราดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าต่อคอและต่อส่วนสีสษะขึ้นไปประกอบด้วยขนอุยสีน้ำตาลกระดำกระด่างสลับไปกับพื้นหนังบางส่วนที่ขนยังไม่ขึ้นร่างอันอ้วนกลมเต็มไปได้วยความน่าเกลียดมากกว่าที่จะน่าเอ็นดูอย่างลูกนกธรรมดาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาขนาดลูกรักบี้ที่ฝังอยู่ในกรอบตา เป็นสันประดับไปด้วยขนรอมแหลมเหล่านั้นและจะ ง, งอยปากที่ชีกว้างผิดส่วนตรงขอบมุมในอันแสดงให้เห็นว่ายังมีอายุของการออกจากไข่เพียงไม่กี่วันนะักบัดนี้ดวงตาของเจ้าลูกนกตัวหนึง่งหันมาเห็นเขาเข้าพอดีระพินใจหายวับยุดชงักงันอยู่ในท่าที่นำกายขึ้นมาพาดคาอย่างล่อแหลมอยู่บนไม้ท่อนนั้นตาจ้องมันขมิง ในภาวะเช่นนี้เขาไม่สามารถจะขยับขยื่นเพื่อลีกหลบหรือป้องกันตนเองได้อย่างใดทั้งสิน้นเพราะสภาพอันห้อยตัวอยู่ยังมินเมลูกนกคู่นั้นขณะที่แลลอดใต้รังขึ้นมาจากเบื้องล่างก็ดูว่ามันไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวนักแต่บัดนี้อย่าเมื่อโผล่ขึ้นมาประจันหน้าเห็นกันใกล้ๆห่างเพียงแค่วาเศษบนรังของมันเช่นนี้มันคือมัจจุราชชัดๆ เพียงแต่เป็นมัจยุราชผู้ไร้เดียงสาเท่านั้นคนที่ตกนรกอบายภูมิและต้องเผชิญกับความน่าสะพึงกลัวหวาดสยองสารพัดชนิดมีอยู่เช่นไรก็คือความรู้สึกของระพินไครวันในยามนี้มันเองก็มองจอง้องเขานิ่งๆอย่างฉงนประหลาดใจเช่นกันไม่รู้จักว่าเป็นอะไรแน่กำลังข้อของเขาอ่อนล้าลงไปทุกทีถ้าไม่ขยับตัวให้ถนัดขึ้นกว่านี้ อีกไม่ถึงอึดใจเดียวก็มีหวังหมดแรงหลุดร่วงลงไปดังนั้นระพินจึงจำเป็นต้องปีนขึ้นไปบนรงังโดยตายังมองจัดอยู่ที่มันไม่กระพริบทันทีที่เขาไหวตัวอันแสดงให้มันทราบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมขึ้นมาในขอบเขตรังนั่นเองเจ้าตวนก็ส่งเสียงร้องลั่นออกมาอย่างยินดีขยับปีอันปราศจากขนของมันพร้อมกับปากที่อ้าว่างเด้นฉานเดินเตาะใเข้ามา ลูกนกแต่งผีเห็นหนอนอย่างไรก็อย่างนั้นเมยิงเราพรานใหญ่ตะโกนสุดเสียงเพราะในภาวะดังกล่าวเขายังไม่สามารถจะดึงปืนสั้นที่เนบเขมขัดขึ้นมาได้เนื่องจากมือทั้งสองยังต้องทาหน้าที่ยึดเหนียวตนเองอย่างเต็มที่อยู่ในขณะนั้นขณะที่ไอ้ลูกนกจากนรกนั้นอาปากเคลื่อนเข้าใกล้อย่างชนิดที่เห็นเขาเป็นเหยื่อโอชะ ระยะเวลาก่อนหน้านั้นมันยาวนานสักร้อยปีก็ไม่ปานที่ความหวังของเขาฝากไว้กับมาเรียท็อกมันแล้วนรกกับสวรรค์ก็ถล่มเข้าหากันมือหูทั้งสองข้างของเขาแทบจะปะทุ ร, ระเบิดขึ้นด้วยกำปนาของกระสุนจุดสามเจ็ห้าแมกนัมที่แผดขึ้นมาอย่างรดเร็วรื่อยอากาศอัดบุบเข้าหาตัวพร้อมกับเศษไม้และผงทุลีจากพื้นรังที่กระจายปลววอนขึ้นไปบนอากาศ ทอดไม้ที่เกาะพายุงตัวมินเมย์อยู่ในขณะนี้พลิกเคลื่อนโดยแรงเพราะส่วนใดส่วนหนึ่งของมันคงจะมีส่วนถูกกระแทกด้วยแรงผลักสองตันของหัวกระสุนเข้าด้วยรพินไพร์วันเสียหลักศีสะหกกลับทิ่มลงไปในอากาศเบื้องล่างแล้วไปรังกาหลุดจากบริเวณที่เกาะยึดอยู่จะหลุดลอยลงไปเบื้องล่างชั่วหนึ่งในพันของวินาทีเท่านั้นที่มืออันควยคว้าออกไปด้วยสัญชาตญาณของเขายึดได้เชือกเส้นเดิม รังติดไว้ได้ปล่อยร่างกายโหนปรงเตงระอยู่กับผนังปล่องหินใต้รังรวงระพินก่อว้นึงฉันจะยิงอีกตัวหนึ่งเสียงแหลมของมาเรียนลั่นขึ้นมาแทรกซ้อนเสียงกังวานของกระสุนนัดแรกที่ก้องยาวอยู่นานระคนไปกับเสียงเคลื่อนไหวโครมของรังเหนือสีสะครั้นแล้ว ก็อีกโตมนึงที่กึกก้องสะเทือนไปทั้งตับไตไส้รางใหญ่แย่เขียวหลับตาแน่นเขารู้สึกถึงหัวกระสุนและแก๊สจากดินขับที่พุ่งผ่านร่างกายไปในระยะใกล้กระแทกทะลวงและตีความสร้างความพินาศย่อยยับให้แกสัพพสิงที่ขวางกั้นวิถีทางซึ่งก็เป็นพื้นรังของมันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อสิ้นกลงวานของเสียงปืนนัดที่สองมัจจุราชเจ้าของรังเหนือศีรษะ สงบนิ่งการเคลื่อนไหวไปแล้วเลือดแดงฉา น, นข้นคลักปลีไหลเป็นสายร่วงลงมาเรากับใครทำถังสีหกไว้เบื้องบนบางส่วนกระเซ็นลงมาถูกใบหน้าลำตัวของเขาเลอะเทอะไปหมดหูก็แว่วเสียงตะโกนร้องเร่งของมาเรียให้เขารีบปีนขึ้นไปโดยเร็วราพินแข็งใจรวบรวมกำลังไต่สายเชื่อแล้วโหนตัวขึ้นไปอีกครั้ง คราวนี้ขึ้นไปนั่งอย่างถนัดบนบริเวณพื้นรังลูกนกอินทรีย์ใหญ่ตัวแรกหมอบพังภาพแน่นิ่งไปแล้วส่วนตัวหลังคอโอนเอ็นไปมาอ้าปากพังงาบพัางงาบอยู่อีกไม่ถึงอึดใจหัวก็ตกราบลงกับพื้นนิ่งไปอีกเช่นกันกลางสันหลังของทั้งสองตัวไหลเห็นรอยกระสุนทะลุชอนจกใต้ท้ทองขึ้นมาเป็นบาดแผลกว้างใหญ่เกือบเท่ากำปัน้น เลือดนองไปหมดทั้งบริเวณรังแล้วเขาก็เพิ่งจะแลไปเห็นเหยื่อที่แม่นกคาบมาให้ลูกของมันรุมจิกทึ่งเมื่อครู่นั้นได้ถนัดตาเป็นครั้งแรกด้วยความประหลาดใจระคนยินดีเหลือที่จะกล่าวมันวางอยู่ริมขอบรังด้านตรงข้ามตัดจากซากของลูกนกตัวที่สองไปเล็กน้อยไม่ใช่ร่างกายหรือซากศพมนุษย์อันเป็นคนใดคนหนึ่งของบรรดาคณะพักทั้งสิ้น หากแต่เป็นห่อผ้าใบขนาดใหญ่ของคณะที่ใช้ปูนอนและขึงกั้นนำคางนั่นเองสัมภาระห่อนี้เกิดกับเซยเป็นคนหาบคู่กันมาตลอดทันทีที่เห็นระพินก็สามารถเดาเหตุการณ์ได้หมดระหว่างที่เจ้านกอินทรีย์ใหญ่ทะลาลงโฉบโจมตีบุคคลเหล่านั้นเพื่อหมายจะจับเอาเป็นเหยือ่อคนเหล่านั้นคงจะต้องทิ้งของหลีกลบเอาตัวรอดแล้วยิงสกัดอย่างชุลมุนเมื่อพลาดจากมนุษย์ พบกองสัมภาระล่นตกอยู่ความที่คิดว่าอาจเป็นเหยื่อที่เสพเป็นพักษาหารได้จึงโฉบติดกรงเล็บมาแทนและนํากลัดมายังรังที่ลูกนักที่ลูกทั้งสองรุมจิกทึ้งอยู่เมื่อครู่นี้แต่แน่ละห่อผ้าใบอันหนาทึบม้วนอย่างแน่นหนาเป็นก้อนโตไม่สามารถจะเป็นอาหารให้มันได้ส่วนเลือดที่หยดเรี่ยลงไปให้เห็นอันเข้าใจว่าเป็นเลือดจากซากศพก็รู้แน่ได้เดียวนี้เองว่า แพ้จริงเป็นเลือดของมันเพราะถูกปืนนั่นเองระพินตะโกนบอกความลงไปยังมาเรียผู้กระสับกระส่ายคอยอยู่เบื้องล่างด้วยความดีใจแล้วเร่งให้หลอนเอาปลายเชือกผูกไรเฟิลทั้งสองกระบอกประหลอดจนย่ำหลังเพื่อจะชักรอกขึ้นมาก่อนระวังอีกตัวนึงระพินแมนสาวรละล่ำละลักขึ้นมาระหว่างที่สาวละวนอยู่กับการมัดไรเฟิลกับปลายเชือกอยางรีบด่วนเห็นจะไม่ต้องตืนกันซะแล้ว เพราะเหตุการณ์มันก็บอกชัดมีเสียงร้องแหลมกล้องมาจากที่ใดที่หนึ่งบนอากาศที่สูงขึ้นไปพร้อมกับเสียงกระพือปีกก็ดังอื้ออึงใกล้เข้ามาอย่างพรวดพราดอนุภาพจากลมปีกอันกว้างใหญ่นั้นทำให้ผงทุลีรอบด้านกระจายปลิวว่อนรพินเงยหน้าพรวด จ, จากอาการที่ก้มลงไปตะโกนพูดอยู่กามาเรียก็แลเห็นเงาอันใหญ่โตของเจ้าสัตว์ในบันพยุก อันเคยเป็นเจ้าอากาศจนกลายเป็นสั ญ, ญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในวงการบินของโลกปัจจุบันฉลอปีกลงมาจับเกาะ อ, อยู่ที่ชะงนอนหินก้อนหนึ่งห่างจากด้านหลังของเขาขึ้นไปเพียงไม่ถึงยี่สิบเมตรอาการของมันดูยังมึนงงไม่เข้าใจต่อเหตุการณ์นักนอกจากจะตกใจขึ้นเพราะเสียงปืนที่มาเรียยิงขึ้นมาทั้งสองนัดขาอันทรงพลังประกอบด้วยกรงเล็บแหลมคมราวกับตะขอเหล็กของมันจับเกาะลงบนก้อนหินแล้ว แต่ปีกทั้งสองอย่างกลางแผ่กระพือโบกลมเป็นการพยุงตัวอยู่เยยอๆพอและส่วนหัวยื่นหลบต่ำาฉิงกลงมาสองดวงตาอันคมกริบมองดูเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็พบมนุษย์ร่างจ้องร้อยบางอาจขึ้นมานั่งอยู่ในรังของมันเข้าพอดีพร้อมกับลูกอ่อนทั้งสองซึ่งบัดนี้นอนนิ่งจมกองเลือดต่างฝ่ายต่างประจันหน้ากันอย่างกระจ่างตาถนัดถนี มันเป็นนกที่มีรูปร่างลักษณะและท่าทางสง่างามเพอาจสุดนั่นเป็นความรู้สึกของระพินแมวกับเสือแตกต่างกันอย่างไรเหยี่ยวกับนกอินทรีพันธุ์โกเด้นเนอเ้กกอนก็แตกต่างกันเช่นนั้นเจ้าอากาศแผดเสียงร้องตึก้องขึ้นอีกครั้งเมื่อมองเห็นเขากระหับระพินเห็นรวดออกจากรังพุ่งเข้าหาก้อนหินริมปากปองก้อนที่ใกล้ที่สุดแล้วมันก็พุ่งดิ่งลงมา ทั้งสองอาการของมนุษย์และสัตว์อย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันรพินพลิ้งเข้าไปสู่หลังก้อนหินที่ยืดเป็นที่พึ่งในขนาดเป็นขนาดเดียวกับที่กรงเล็บของมันข้างหนึ่งก็ขยุ้มโครมลงมายังตำแหน่งเดิมที่เขานั่งอยู่โลกรอบด้านหมุนอ้นระเวินไปอีกครัง้งด้วยการรุกลไล่ไหมพิขาดระหว่างเจ้านกยักษ์ผู้เต็บริพรพกําลังอา น, นาจความปราดเปรียว มนุษย์ตัวเล็กๆผู้เกิดมาในโลกนี้ด้วยการดำเนินชีวิตท่าทายมรุตยูมาโดยตลอดมาเรียตลึงตัวแข็งอยู่เบื้องล่างยังทำอะไรไม่ได้เัาเห็นเหตุการณ์นั้นในรัศมีภาพที่มีอยู่จำกัดเพียงแค่ช่องว่างปากปล่องและไม่สามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลือใดๆไ ด, ไ ด, ได้ทั้งสิน้นทั้งที่ไรเฟิลอยู่ในมือเพราะเมื่อทั้งรับพินและเจ้านกยักษ์ไล่กันพลวันตะลุนบเปากล่กาลา อ, ลง อ, ลองออกไป หล่นก็มองไม่เห็นซะแล้วนอกจากจะได้ยินเสียงร้องอย่างเกลี้ยวกราอดโกรธแค้นและเสียงปีกอันสรงอานุภาพของมันไปกระทบอากาศและก้อนหินไล่ต้อนศัตรูอย่างเอาเป็นเอาตายสุภาพบุรุษไพรบัดนี้เล่นเกมกับมัจจุราชไปวางชีวิตเป็นเดิมพันอีกครั้งไหวพริบและความว่องไวของเขาเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้ความอ่อนระโหยร้อยแรงอ่ อ, อนเปี้ยดูเหมือนจะลืมไปหมดสิน้น เมื่อคนเราดิ้นรนเพื่อชีวิตยาคองเมื่อพลาดจเ้าไหม้เพระเจ้าสัตว์เล็กๆที่บังอาจล่วงล้ำเข้ามาในรังของมันเพ่นพ้นกรงเล็บไปได้อย่างบุดบิดก็ทวีความเดือดแท้นเกลี้ยวกล่ำขึ้นเต็มที่กระโดดพลาจากรังพุ่ดเดียวก็ถึงคนหินที่ศัตรูของมันอ้อมไปหมอบล้มลุกคลุกคลานอยู่แล้วกางไปอีกตีครมลงบนหินทั้งก้อนอำนาจความแรงและลมปีกเหมือนลมเพชรหึง ทรงระพินไพรวันผู้กำลังจะทรงตัวลุกขึ้นให้ล้อมควม่ำขมำหงายซุนไปในระหว่างแก่งแง่หินที่งอกอยู่ทั่วไปนั้นแล้วเขาก็แล่นออกไปอย่างไม่คิดชีวิตสุดกำลังแรงที่มีอยู่โดยยึดเนียวหินซอกมุมซึ่งมีอยู่รอบด้านอาศัยหลบฉากเล่นเอาเธอเจ้าล่อกับมันพวกอลุกล่าตะ ก, กัดเป็นพันละวันทางจิกัางปีไปขัดอยู่ที่มีหินเกะกะบังอยู่ แล้วฝ่ายมนุษย์ก็ร้ายร้าวกับโกรธจุดซซีแม็นัมเพิ่งจะมีโอกาสกระชาขึ้นมาจากใต้เข็มขัดแต่ก็ไม่มีจังหวะที่จะโตออกสกัดด้านการรุกไล่กระชั้นชิดของมันได้เลยแม้แต่นัดเดียวเพราะต้องหาทางปลอดภัยของตนเองไว้ก่อนเสมออาจเป็นเล่ห์ขัดจังหวะได้อันเนื่องมาจากลูกปืนในมือเบาเกินไปเมื่อเทียบขนาดกับมันเพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์ก็ดับตะโกนกล้องสุดเสียง ขึ้นมาจากใต้ปล่องเช่นนั้นพ่านใหญ่เองยามนี้ไม่มีเวลาพอที่จะสังเกตภูมิประเทศแวดล้อมรอบได้อย่างใดได้ทั้สินนอกจากสมซางกระเจิงกระเจงิงหนีเอาตัวรอดประการเดียวทางหนที่ก็ปลองไทยเขาก็ซอกซอน ล, ลีกลบไปทางนั้นเงาปีกของมันแผ่โอบสกัดใกล้เข้ามาทุกขณะอยากจนไม่มีเวลาแม้แต่จะหยุดพักหายใจ พรอกับเสียงร้องแหลมแสดงความดุร้ายโกรธแค้นจนไม่ได้ยินเสียงใด ท, งทั้งสิทนพงธุรีสเก็ดก้อนหินปลิวกระจายคลุงหลายต่อหลายครั้งที่จะงอยปากและกรงเล็บของมันที่จ็กทะยุ่มไล่คว้างลงมาเทียดร่างกายไปยังบุตรวิจวนเจียนที่สุดถ้ามันจับถูกเข้าเมื่อไรเข่าสาังของชีวิตจะเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาเดียว การไล่เล่นหนีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์สิ้นกุดลงที่มุมซอกแคบในระหว่างหินใหญ่สองก้อนซึ่งระพินแล่นหนีอ้อมวนอยู่เช่นนั้นเขาไม่มีทางจะผลักไปยึดที่อื่นได้อีกแล้วเพราะด้านหลังติดขอบหน้าผาตัดชันลงไปสู่เบื้องล่างลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ในขณะนี้ส่วน ด, ด้านหน้าเป็นทางค่อนข้างโปรงง่งโล่งแต่มีก้อนหินเล็ก ไม่สามารถจะใช้เป็นกำบังลตลอดระยะเวลาที่มันโกรธไล่ย่างกระชั้นชิดิดทันเจ้าอินซียักษ์ไม่ได้บินขึ้นไปบนอากาศเลยไม่ใช่คิวบี้กระโดดพร้อมกับกางปีกออกโอบสกัดต้อนไปเหมือนไก่ไล่กิกแมลงตามพื้นดินนับบัดปลายปีกทั้งสองข้างของมันแพร่คร้อมก้อนหินด้านตรงข้ามโผ ล, ล่ล้มออกมาทั้งสองาง เหมือนจะอบเขาและก้อนหินที่ใช้กำลังอยู่นานว้ในอ้อมอกป้องกันไม่ให้หนีเล็ดรอดออกทางใดทางหนึ่งได้ถ้ามันกระโดดขึ้มนมายืนอยู่บนยอดหินเมื่อไรเมื่อนั้นมันจะชะโงกคอลงมาจิกเขาได้ทันทีหรือไม่เท่านั้นก็อาชทีพที่อ า, าวยาวใหญ่ประกอบด้วยโครงเล็กของมันลงมาขยุ่มจับโดยไม่มีทางหลีกหลบแก้ไขของลอดช่องโหว่ของหินด้านล่าง เขาเห็นลำขาข้างหนึ่งของมันได้อย่างถนัดห่างออกไปเพียงสองว่ารพินตัดสินใจเด็ดขาดในคันนั้นค่านใหญ่กัดฟันเน้นรวบรวมกำลังยกปืนสั้นจุดซีซีแมขกซ์คด้วยมือทั้งสองเล็งไปยังแข้งอันประดับไปด้วยขนรุงรังนั้นกะให้สูงกว่าบริเวณข้อเท้าขึ้นไปเล็กน้อยซึ่งส่วนกระดูกล้วนๆแล้วแต่ไกลั่นกระสุนปุ๊บออกไปเป็นนัดแรก ด้วยความคิดที่ว่าก่อนอื่นใดที่ขอตักกำลังไว้ก่อนน้ำหนักสองเสี่สิบกรนของแรงประทะพันเศษพุ่งเข้ากระแทกลำขาส่วนค่อนไปทางปลายของปรญยาครุดเป็นสภาพพลังงานของมันผลจะเป็นประการใดก็สุดที่จะมองเห็นได้เพราะชั่วพริบตาที่กระสุนระเบิดกึกะ้องออกไปก็ปรากกเสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังขึ้น ขาข้างนั้นหายวัาไปกับตาจากช่อที่มองลอดไปหินพร้อมกันก็มีเสียงโพลทยานบินขึ้นไปบนอากาศบางแสงตะวันราวกับใครมา ก, ากลางกรดกั้นแดดไว้เงามาฮือมาร่อนว่อนอยู่เหนือสีสากของเขาอาการของมันเต็มไปได้วยความพิษโวงเจ็บปวดและเหมือนจะปรับการทรงตัวเพื่อที่จะทลาลงมาชบจอมพลานเวียงข้อมือที่กำลางปืนทั้งสองตาม มันถึงคราวแล้วที่เขาจะต้องแลกเพราะไม่มีทางจะหลบอีกต่อไปครั้นแล้วก่อนที่เขาจะปล่อยกระสุนนัดที่สองออกไปหรือก่อนที่มันจะตั้งลําตัวบนอากาศได้ถนัดเพื่อแผนคืบหน้าอันร้กาดอย่างไรของมันนั่นเองเสียงระเบิด์สนันวันไว้ก็อนลั่นขึ้นมาจากระดับล่างที่ตําลงไปจากหน้าผาซึ่งระพินมาจนมุมอยู่ขนานั้น มันเป็นเสียง อ, นองันหนัแน่นขงไรอุลและโดยสายตาที่จับจ้องยังไม่กระพริบของเขาและเห็นขนตรงบริเวณหน้าอกของกินทรีย์ใหญ่กระจายว่อนพร้อมกับอาการพังงัดกระเด็นขึ้นไปบนอากาศทั้งๆที่ยังกลา ง, ง, ง, งไปกระพือลมอยู่ชั่วเสี้ยววินาทีต่อมาก็มีเสียงระเบิดของกระสุนลูกสองทียิบขึ้นมาอีกเป็นสองนัดทุกครั้งของเสียงเปิด ร่างอันใหญ่โตมโหฬารของเจ้าอากาศมวลตัขนตอนขนแกะกระจจยกระจายว่อนไปทั่วยเหายการเคลื่อนไหวของมันหยุดปีนิ่งลงกลางอากาศนั่นเอ ง, ท, ง, ท, งทั้งทัที่ปีกยังค้างร่างนั้นควงเตีเต้เหมือนใบไม้หลุดจากขั้วหลน่นพลจากหน้าผาตกลงไปยังพื้นเบื้องล่างเสียร่างกายอันใหญ่โตปะทะกับเนินหินดังสนั่นหวั่นไหว จนแผ่นดินสะเทือนราวกับช้างตกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับสายตาอันตื่นตะลึงไม่คาดฝันของรพินยามนี้ราวกับปาฏิหาริ์เมื่อได้สติรู้สึกตัวเขาถลันลงมาชิดริมหน้าผาที่ตัดชันลึกลงไปแล้วก็มองเห็นต้นเหตุแห่งการรอดชีวิตอย่างบุดวิดแง่าซายยืนถือไหล่ฟ้นชูสูงในมืออยู่บนเนินลูกหนึ่งต่ลงไปจากระดับไหล่เขาตัดชัน ที่เขาชะโ ง, งกศีรษะออกอยู่ออกไปขณะนี้ประมาณ2ี่สบเมตรอีกด้านหนึ่งไม่ห่างออกไปนักคืออดีตนักเลงโตลมช้างขายินพร้อมด้วยลูกซองคู่มืออินริยัก ต, ตัวนั้นบัดนี้เลดูเหมือนภูเขาขนลูกย่อมย่อมกองอยู่ยังบริเวณที่ราบโล่งตรงกลางในระหว่างที่บุคคลทั้งสองยืนกันอยู่คนละมุมเสียงขยินตะโกนกึกก้องเรียกชื่อเขาพร้อมกับพูดอะไรไวุวายอย่างปิติ ยินดีเช่นไรรพินฟังไม่ได้ถนัดนักในความรู้สึกที่เหมือนหัวใจจะวายดับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ต่เลเห็นสีหน้าอันยิ้มสว่างร่าฟันขาวของอดีตร้อยโททหารกองโจรกระเรียงคู่ปรับพร้อมกับมือที่ยกขึ้นโบกให้เขานิดนึงเสมือนจะทักทายรพินไพยวันเป่าลมออกจากปากสุดกายลงนั่งอย่างหมดเรียวหมดแรง ไม่ร้องบอกหรือพูดจาอะไรทั้งสิ้นเช่นกันมียายที่ขยินจะตะโกนถามอยู่เยวเยวได้แต่นั่งอยู่ริมหน้าผาตัดชันนั้นต่อมาเขาเห็นคนทั้งสองเบื้องล่างเดินเข้ามารวมกันพูดอะไรกันอยู่ครู่แล้วต่างก็แง้มมองขึ้นมาสำรวจหน้าผาชันอันไม่มีหนทางที่จะปีนป่ายขึ้นมาได้นั้นอยู่อีกอึดใจใหญ่หนายไอ้แง้ายจะตอกทอยขึ้นไปนะ เสียงขยินร้องบอกขึ้นมาอีกจอมพรานไม่ตอบแต่โบกมือรับทราบแล้วเขาก็เห็นร่างของจอมพนเนจรค่อยๆตอบและไตลูกทอยลงไปตามแนวร้าวแย่ของหน้าผาเคลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับในที่สุดไม่นานนะักก็โผล่ขึ้นมาถึงด้วยสีหน้าอาการปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเพียงแต่ยิ้มน้อยๆ อ, อยู่ในหน้าขณะที่เดินมาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆ ทุกคนฝ่ายเราปลอดภัยเรียบร้อยดีเสียงห้าวกังวานนั้นรายงานขึ้นเหมือนจะรู้ใจอยู่แล้วแต่นี่ทำไมผู้กองจึงเหลือชีวิตรอดอยู่คนเดียวล่ะครับเ mm. มย์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปลอดภัยดีเขาบอกพร้อมกับชี้มือไปทางปากปล่องซึ่งอยู่ไม่ห่างนักแต่เขายังติดอยู่ใต้ปล่องนั่นยังขึ้นมาไม่ได้มันพุ่งลงมาโจมตีคณะของเรา ขณะที่เราออกค้นหาร่องรอยผู้กองชาวันนี้เสยนะ่าเกิดบจะติดกรงเล็บของมันมาด้วยแล้วบังเอิญมันได้ห่อผ้าใบของเราซะก่อนผมรู้ว่ามันมีลูกอ่อนและมีรังอยู่แถวๆนี้จึงตามมามีผมกับขยินสองคนล่วงหน้าตามมาก่อนเพราะต้องการจะเอาห่อผ้าใบของเราคืนยังไม่คิดว่าจะได้พบผู้กองและมาทันเวลาพอดีเหตุการณ์มันประจวบเหมาะยังมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอ ฉันได้ยิงเสียงพวกเราระดมยิงอยู่สองครั้งครับครั้งแรกนะคือครั้งที่มันฉุเอาห่อผ้าใบมาครั้งหลังนะ่ะมันย้อนไปอีกในระหว่างที่พวกเราติดตามเจ้าตัวเมียนั่นถูกนายใหญ่ยิงร่วมไปแล้วล่ะครับจอมพรานถอนใจเฮือกแล้วพวกเราส่วนใหญ่ละแง่ทายขนาดนี้นะ่ะอยู่ที่ไหนกำลังเดินตามมาแล้วล่ะครับพว ก, กองอีกสักประเดี๋ยวทุกคนก็จะคงจะมาถึงพร้อมกันที่ข้างล่างนั่น ผมก็ขยยินไปเขาได้เร็วกว่าคนอื่นจึงล่วงหน้ามาก่อนได้ยินเสียงที่มันไล่ผู้กองอยู่บนนี้แล้ว่ะแต่ยังเห็นตัวไม่ถนัดเพราะหน้าผาชันน่ะมันบังอยู่ก็พอดีมันบินขึ้นมาพ้นมุมบงังนี่แกช่วยไปเอาเมีขึ้นมาก่อนเนึะแง้ทรายฉันขอนั่งพักตรงนี้ก่อนเขาบอกแง้ทรายเดินตรงเข้าไปยังปากปล่องอันเป็นตําแหน่งวางรังของนกอินทรีคู่นั้นทันทีพอมองเห็นสภาพของรงัง เห็นซากลูกนกทั้งสองเห็นห่อผ้าใบที่มันคาบมาวางไว้เห็นสายเชือกของระพินที่ยังห้อยอคาอยู่กับไม้ขัดรังและมาเรียฮอฟมันซึ่งติดอยู่ใต้ปล่องเมสาซก็เข้าใจเหตุการณ์ได้โดยตลอดชั่วไม่กี่อึดใจแม่สาวพร้อมกระไรเฟินและเครื่องหลังทั้งสองชุดก็ได้รับการนำขึ้นมาสู่เบื้องบนอย่างเรียบร้อยและทันทีที่พ้นปากปล่องออกมา หล่อนก็ถามหาพรานใหญ่ก่อนอื่นด้วยความเป็นห่วงแง่สายชีย้ไปยังริมหน้าผาที่รพินยังนั่งเหยียดเท้ายาวอยู่จึงวิ่งเข้ามาโดยเร็วระพินคุณเป็นอะไรหรือเปล่าจอมพรานสันรีส่ยอย่างอิดโรยฝืนยิ้มออกมาขณะที่พยุงกายลุกขึ้นไม่เป็นไรหรอกเมเรียบร้อยดีแงสายกับขยินที่โปมาช่วยไว้ได้ทันพอดีเชอะมาเรียพอมองเห็นลักษณะของภูมิประเทศที่โผล่ขึ้นมา มองลงไปเห็นซากนกอินทรีร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นเบื้องล่างพร้อมกับขยินที่โบกมือทักทายราอยู่ในขณะนี้หลอนก็ลําดับภาพเข้าใจเหตุการณ์โดยตลอดเช่นกันสองคนนั่นเขายิงขึ้นมาจากข้างล่างเหรอใช่ผมหนีมาจนมุมมาอยู่ตรงก้อนหินคู่เนี้ยังไม่ทันรู้ด้วยซ้ําว่าสองคนนั่นตามมาถึงข้างล่างแล้วว่ามันบินทลาขึ้นบนอากาศจะโฉบลงมาเล่นงานอีกครั้งสองคนนั่นถึงยิงขึ้นมา คุณพระเจ้าฉันแทบจะเป็นบ้าตายเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยจากใต้ปล่องนั่นเห็นแต่เพียงว่าไอ้ตัวใหญ่นะ่ะมันพุ่งเข้ามาเล่นงานคุณแล้วคุณก็กระโดดหนีพ้นรังมันออกไปต่อจากนั้นก็ได้ยินแต่เสียงไล่ของมันต่อมาอีกก็ได้ยินเสียงปืนจากนั้นก็เงียบหายไปครู่ใหญ่แล้วจู่ๆเงยสายก็โผล่หน้าลงไปทําให้ฉันงงไปหมดคิดว่าคุณตายซะแล้วอีกแล้วนี่พวกเราส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนละเนี่ย ก่อนที่ระพินทร์ไทยวันจะตอบเช่นไรนั่นเองเงาของผู้ร่วมคณะทุกคนก็ไต่พ้นขอบโขดหินเบื้องต่ำลงไปเดินตรงเข้ามาเป็นขบวนอย่างรีบร้อนเสียงตะโกนซักถามพูดจาระหว่างคนเหล่านั้นกับขยินซึ่งยืนรอยอยู่ที่ซากนกอินทรีดังครมไปหมดต่อมาทั้งหมดก็พึ่งจะเงยขึ้นมายังหน้าผาตามคำบอกลงเลงของขยินแล้วก็เห็นระพินทร์กับมาเรียและแง่าย ยืนเรียงกันอยู่บนหน้าผานั่นแม้จะอยู่ห่างกันโดยมีหน้าผาชันกั้นอยู่อาการแสดงออกของทั้งสองฝ่ายที่แลเห็นและโบกมือให้กันอยู่ในขณะ น, นี้ก็บอกได้ชัดว่าต่างปิติยินดียิ่งที่ได้พบเห็นกันอีกครั้งโดยไม่มีใครได้รับอันตรายเช่นไรสองคนฝ่ายข้างบนเข้าใจเหตุการณ์และลำดับภาพเป็นได้เป็นไปได้หมดแล้วแต่ฝ่ายเชื้อ้าที่ตามหลังแง่าสายกลับขยินมา ยังไม่เข้าใจอะไรนะักที่จูจูก็มาพบเหตุการณ์เข้าเช่นนี้นั่นคือเหตุใดจึงเห็นระพินและมาเรียขึ้นไปติดอยู่บนไหล่เขาสูงชันจนแงาซรายต้องตอกทอยขึ้นไปคนทั้งสองไปยังไงและมายังไงจึงมาพบเข้าได้ที่นี่ในระหว่างติดตามนกอินทรีคู่นั้นทั้งที่ประสงค์ขั้นแรกเพียงแค่ต้องการสัมภาระที่มันโฉบมาคือระยะระหว่างบุคคลสองฝ่าย ความจริงไม่ห่างไกลกันมากนะักตะโกนพูดกันได้อย่างถนัดเพียงแต่มีหน้าผาชันมาขวางกั้นไว้เท่านั้นระหว่างฝ่ายหนึ่งซึ่งยืนแงงเงยรอคอยอยู่เบื้องล่างอีกฝ่ายหนึ่งอยู่บนขอบไหล่แต่บัดนี้สะพานเชื่อมก็มีขึ้นแล้วโดยทอยของแง่ทรายซึ่งตอกขึ้นไปไม่ต้องปีนขึ้นมาหรอกครับประเดี๋ยวผมจะลงไปเองครับจอมพรานร้องบอกคณะนายจ้างของเขาลงไป ไม่เห็นคนเหล่านั้นแสดงอาการร้อนใจและตื่นเต้นยินดีอยากจะไต่ขึ้นไปตามทอยที่แง่ท า, ายทำไว้ซึ่งระพินเห็นว่าเสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาก็จัดการส่งมาเรียให้ล่วงหน้าลงไปสมทบกับคณะก่อ น, ขนาขณะเดียวกันก็ออกคำสั่งให้พรานพื้นเมืองทั้งสี่คนของเขาไต่ขึ้นมาฝ่ายของเชื้า ย, ยังไม่เข้าใจนักกว่าเหตุใดระพินจึงให้หลูกน้องตามขึ้นไปบนนั้นด้วย อีกครูใหญ่ต่อมาเห็นคนเหล่านั้นช่วยกันโยนท่อนไม้อันเป็นส่วนประกอบของรังนกอินทรีลงมาปริมาณของไม้เหล่านั้นสูงท่วมหัวมีจำนวนมากมายพอที่จะใช้ทำฟืนได้ไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ติดตามลงมาด้วยลูกนกอีกสองตัวซึ่งถึงแม้จะเป็นลูกอ่อนก็จริงแต่น้ำหนักตัวราวกับเข้าสารทั้งกระสอบประกอบกับที่มาเรียรซึ่งล่วงหน้าลงไปก่อนแล้วทาหน้าที่อธิบายให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไร ทุกคนจึงเข้าใจได้โดยตลอดระพิน์ไทวันไตลงมาจากหน้าผาเป็นคนรองสุดท้ายตามหลังด้วยแงซทรายซึ่งถอดลูกทอยด้วยในขณะที่ลงทั้งสิบสองชีวิตร่วมตายจึงพร้อมหน้ากันอีกครั้งยังบริเวณร่มเงาหินอันราบเรียบตอนหนึ่งใต้หน้าผานั้นในขณะที่กองไฟถูกกอลุกโชชและเนื้ออ่อนๆของเจ้าลูกนกยักษ์อยู่บนคานย่างน้ามันตกชา กระเพาะอันหิวโหยของทุกคนกำลังรอความหวังอยู่ที่เนื้อย่างบนกองไฟนั้นเป็นความหวังที่อบอุ่นแช่มชื่นเหมือนพระเจ้ามาโปรดภายหลังที่แต่ละชีวิตบุตรวิจจะกลายเป็นฝ่ายถูกกินไปมันเป็นกฎชั้นมูลฐานของชีวิตในพิพพโลกนี้นั่นคือฝ่ายที่พ่ายแพ้ย่อมตกเป็นเหยื่อของฝ่ายที่ชนะเสมอทั้งสองฝ่ายที่พลัดกันไปคนละด้าน ต่างก็ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เผชิญมาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบแล้วก็สามารถลำดับภาพประสานเชื่อมต่อกันได้อย่าง ป, ปโปรงโดยตลอดคล้ายๆมีอะไรมากระซิบบอกให้กำลังใจผมอยู่เสมอว่าถึงยังไงทั้งคุณและเมย์จะต้องปลอดภัยเสมอและจะต้องตามพบภายในวันนี้ท่านหัวหน้าคณะกล่าวพร้อมกระรอยยิ้มอันเยือกเย็นมั่นคงสาหรับวันนี้อาการของท่านทูตทหารบกดีกว่าเมื่อวานมาก จากการบอกเล่ายืนยันของพักพวกทุกคนทั้งรพินและมาเรียทราบว่าเขาเองนั่นแหละที่เป็นผู้ยิงแม่นกร่วงลงมาดับดินในการที่มันย้อนกลับไปโจมตีซัมเป็นครั้งที่สองทั้งๆ ท, ที่ไม่สมประกอบนักเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะที่เชื่อหลีกหลบไม่ทันจึง ย, ยันปากหลักแลกขณะที่มันพุ่งเข้าโฉบเขาและดารินผู้ยืนพวักพวบนเป็นเป้าเดนอยู่กลางที่โล่ง เงสายเองก็มั่นใจอย่างนั้นแต่พวกเราก็ไม่คิดหรอกนะว่าจะพบคุณกับเมย์เข้าพอดีในระหว่างที่เราตามไอ้นกอินทรีคู่นั้นความจริงก็ไม่อยากจะตามมันหรอกถ้าไม่ใช่เพราะมันดันคว้าเอาห่อสัมภาระของเรามาโดยคิดว่าเป็นเหยื่อที่ไหนได้นึกไม่ถึงเลยว่าทั้งคุณและเมย์กำลังจะเตรียมหาทางออกจากใต้ปล่องโดยพาขึ้นไปกลางรังของมันเพราะมันทํารังขวางอยู่ปากปล่องพอดีระหว่างที่ไต่ปล่องขึ้นมา เราได้ยินเสียงปืนที่ยิงชุดแรกแล้วล่ะครับแต่เราไม่ถูกว่าพวกของคุณชายประทะอะไรคข้าแต่แน่ใจว่าพวกเราหลายคนอยู่ไม่ห่างนักทําให้มีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเพราะจะไต่ขึ้นปากปล่องเท่านั้นก็เห็นรังมันพอดีอย่างที่เรียนแล้วตอนที่มาไล่ผมไปจนมุมตรงริมหน้าผาถ้างแงาทรายกัขยินไปถึงที่นั่นช้าอีกนิดเดียวผมก็เสร็จไปแล้วสองคนนั่นช่วยยิงขึ้นไปทันก่อนหน้าที่มันจะโถมลงมาโฉบผม พรานใหญ่บอกเรียบๆด้วยท่วงท่าอันสงบไงทา ย, ยแน่ใจว่ามันจะต้องมีรังอยู่แถวนี้สองคนกับขยินก็เลยรับอาสาล่วงหน้ามาก่อนเพราะไต่เขาได้ชำนาญกว่าพวกเราคนอื่นๆแล้วแงทา ย, ยก็คเนได้ถูกต้องจริงๆพวกเรางงไปหมดที่ตามมาถึงเห็นคุณกเมยืนอยู่บนหน้าผานั่นนึกไม่ออกว่าไปยังไงมายังไงชยันพูดพลางหัวรบพลางจับแขนเขาเขย่าโดยแรง อย่างปิติเย็นดีพวกเราทุกคนอะดวงแข็งกันดีจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงสักแค่ไหนก็แคล้วคลาดเอาตัวรอดได้เสมอขอยเป็นอย่างนี้ตลอดไปเถอะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองพวกเราไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยเป็นห่วงคุณกระเมยจนบอกไม่ถูกแต่น้อยเขาคิดว่าทั้งคุณและเมย์คงถูกธรณีสูบหรือมิฉะนั้นก็หินทับแหลกไปแล้วตอนแผ่นดินไหวอ่ะระพินเหลือบตา ก็เห็นดวงตาเป็นประกายแจมย่มใสจับมาก่อนแล้วพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆจะเกิดจากบาปทางใจหรืออะไรก็ตามทีนักตั้งแต่ปลาหน้าผาลงม า, าเผชิญหน้าพักพวกทุกคนที่รอคอยอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ดอกฟ้าดารินผู้นั้นเขาไม่ได้มองดูหน้าหล่อนด้วยสายตาตรงเลยเกรงว่าพิรุษจะก่อเงาขึ้นให้หลอนจับได้บางทีก็อาจคิดระแวงหวั่นไหวไปเองก็ได้ พระดารินวราริสไม่มีอาการใดๆแม้แต่น้อยที่จะเป็นอย่างที่เขาคิดเราตึงเต้นยินดีที่เห็นทั้งเขาและมาเรียมีชีวิตรอดและได้พบกันอีกครั้งตลอดเวลาก็สอบสักถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปกติธรรมดาที่สุดและสำหรับกลับมาเรียแล้วก็เหมือนพี่น้องหรือเพื่อนร่วมเพศเดียวกันที่ต่างคนต่างมาพบว่าแต่ละฝ่ายยังมีชีวิตรอดอยู่ ทันทีที่มาเรียไต่ลูกทอยลงมาถึงพื้นเบื้องล่างราชสกุลสาวตรงเข้าไปกอดไว้แน่นนันตาไหลด้วยความยินดีเมีเองก็เช่นกันทั้งคณะทุกคนล้วนแต่มีความปลาปลื้มยินดีเท่าที่ได้พบเขากลับมาเรียไม่มีความรู้สึกอื่นใดเข้ามาเจือปนแม้แต่น้อยนึง่งและนี่จึงเป็นการสบตากันครั้งแรกหลอนจ้องเขาด้วยอาการสำรวจ แต่เป็นการห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยทางร่างกายเสียมากกว่าอื่นๆแล้ววะเป็นความจริงฉันนึกว่าคุณกเมตายซะแล้วเพราะภายหลังเมื่อแผ่นดินหยุดไหวแล้วนะ่ะพวกเรายิงปืนเรียกคุณอยู่หลายนัดแต่ไม่ได้มีวี่แววตอบรับเลยคุณคงไม่คิดว่าฉันแช่งคุณไม่ใช่เหรอในการหวาดระแวงไปเช่นนั้นถ้าหินภูเขาไม่ถ ล, ล่มลงมาปิดปากถ้ำที่ผมกเมเข้าไปหลบอยู่ เราก็คงติดต่อส่งข่าวได้ยินถึงกันตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้แล้วลครับผมเองก็คิดวิตกอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเราข้างนอกจะเป็นยังไงบ้างในระหว่างแผ่นดินไหวและคิดว่าจะยังไงเสียในวันนี้ก็จะต้องหาทางออกมาจากใต้ถ้าเพื่อติดตามค้นหาให้ได้ก็พอดีมาพบกันข้าโดยบังเอิญพระนกอินทร์ีคู่นั้นซะก่อนก็ดีเหมือนกันที่มันมาช่วยเป็นอาหารยืดเวลาอดตายของเราออกไป เท่าๆกับเป็นเครื่องนำทางให้พวกเราทั้งสองฝ่ายพบกันได้เร็วขึ้นอีกนี่ทำไมมีไอ้นกเวนน่ะคะมาก่อเหตุร้ายแทรกคุณกเมภัยหลังจากหาทางออกจากใต้ภูเขาได้แล้วก็คงจะเดินเตะปะค้นหาพวกเราไปทางนึงส่วนพวกเราก็คงจะเดินงมกันไปอีกทางหนึ่งดีไม่ดีตลอดทั้งวันนี่ไม่ได้พบกันชัยยันว่าอาการของอดีตนายทหารปืนใหญ่เต็มไได้วยความปลอดโปร่งสบายใจแล้วหันไปทางมาเรีย เอื้อมมือไปตบเบาๆที่ตักแมมสาวพร้อมก็หัวเราะออกมากว้างๆกล่าวต่อมาว่าเป็นยังไงบ้างละเมบอกตามตรงนะว่าผมไม่มีอะไรกังวล น, นักเมื่อรู้ว่าคุณหลงพลัดไปกับพรานใหญ่ของเราถ้าเหตุการณ์มันหนักหนาร้ายแรงทั้งคุณและรพินก็คงตายไปด้วยกันซึ่งในกรณีนั้นไม่มีอะไรจะมาช่วยได้แต่ถ้ารอดไปได้คุณก็ปลอดภัยแน่เพราะเจ้าป่าอยู่กับคุณด้วยทั้งคน ตอนที่คุณหลงพลัดอยู่กับผมเพียงสองคนน่ะผมไม่เชื่ออนาคตอะไรสักอย่างเดียวมาเรยยิ้มตอบมองดูเชยันด้วยความรู้สึกของเพื่อนรักสนิทปราศจากอาการเมินหมงังใดๆทั้งสิ้นลักษณะอาการอันแสดงถึงน้ำใจที่กว้างขวางแบบผู้ชายและมักเปิดเผยของหลอนบางทีมันก็ช่วยลบร่องรอยเงื่อนงำอันซ่อนเร้นใดๆที่หลอนไม่ประสงค์จะให้ปรากฏเป็นพิรุธออกมาได้อย่างสนิทเหมือนกัน ฉันรู้ว่าคุณและทุกคนะเป็นห่วงฉันกับไพรวันมากถ้าหากว่าพวกเราเหล่านี้ยังรอดปลอดภัยอยู่แต่สําหรับฉันเองกลับเป็นห่วงน้อยมากกว่าคนอื่นๆฉันยอมสารภาพว่ามันเป็นความผิดของฉันเองที่ทําให้เราทั้งสองฝ่ายต้องพลัดกันเมื่อวานเนี่ยระหว่างที่ไอ้ยักษ์ไทรั่นไล่กวดหลังพวกเรามาแทนที่ฉันจะหนีล่วงหน้าไปกับพวกเราคนอื่นๆตามคําสั่งของพรานใหญ่ฉันกลับบ้าอะไรขึ้นมาบ้างก็ไม่รู้สิคอยดักสกัดยิงมันอยู่ ความต้องการในขณะนั้นก็คือหมายจะประวิงเวลาล่อมันไว้ให้พวกเราหนีไปได้จนถึงที่ปลอดภัยบังเอิญภัยวันเหลือบมาเห็นซะก่อนภายหลังจากที่เขาไม่สามารถจะบังคับให้ฉันล้มความตั้งใจนั้นได้เขาก็เลยต้องตกบันไดพลอยโจนอยู่ร่วมมือกับฉันด้วยทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาควรจะต้องทิ้งฉันไว้ตามลําพังซึ่งใครก็จะตําหนิเขาไม่ได้ด้วยประโยคหลังหล่อนพูดเรียบๆ เ, เราก็สงสัยแต่แรกแล้วว่า ทำไมคุณกระพินถึงยังลาหลังอยู่มากท่านหัวหน้าคณะกล่าวอย่างอารมณ์ดีทั้งๆ ท, ที่ควรจะตามมาได้ทันต่อมาก็ได้ยินเสียงปืนตอนนั้นเราทั้งหมดส่วนใหญ่นะ่ะกําลังคิดที่จะหววกลับไปดูเหตุการณ์แต่แง่าสายกระบุญคํำสิเขาห้ามไว้บอกว่าไม่ต้องห่วงเร่งให้หนีเข้าไปในป่าหินก่อนเขาเชื่อว่าคุณสองคนคงจะตามเข้าไปทันภายหลังเองแต่แล้วมันก็เกิดแผ่นดินไหวซะก่อน แต่ถึงยังไงระพินก็ทำถูกแล้วล่ะที่ไม่ทิ้งคุณไว้ตามลำพังสำหรับคุณเมฆในฐานะหัวหน้าคณะนะผมอยากจะย้าเตือนคุณไว้อีกครั้งหนึ่งคราวหลังอย่าทำอะไรตามใจตัวเองโดยอิสระท่านใหญ่สั่งยังไงคุณก็ควรปฏิบัติตามมิฉะนั้นจะพลอยเสียผลไปถึงพวกเราผ่านพ้นเหตุการณ์และรอดปลอดภัยมาได้ทุกคนการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทุกคนฟังผมหรือระพิน ยกเว้นแต่ปัญหาเฉพาะหน้าที่แต่ละคนะเผชิญอย่างเช่นที่แล้วมารพินสั่งให้ถอยคุณยาัปากหลักไม้ยิงสกัดมันอยู่แม้จะด้วยเจตนาที่ดีต่อพวกเราส่วนใหญ่ก็ตามทำให้รพินก็เกิดอาการพาวะวุ่นห่วงหน้าห่วงหลังเพราะคุณขัดคำสั่งเขาไอา้จะทิ้งคุณเขาก็ทิ้งไม่ได้ก็เลยเป็นผลอย่างที่เกิดขึ้นนั่นเป็นการตักเตือนเทศนากันอย่างผู้ใหญ่มาริล็อตา หน้าเจือนจืดลงมีบุคคลในคณะเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หล่อนให้ความเคารพและยำเกรงที่สุดคือหม่อมราชวงศ์เชิถทาวราริทท่านหัวหน้าคณะซึ่งเป็นผู้มีความสุ ข, ขุมเยือกเย็นเมตตาอารีและเป็นผู้ใหญ่จนคนแก่นกล้าโลดโผนอย่างมาเรียขยับไม่บางอาจที่จะล้อเล่นเลียนเล่นหัวหรือลามปามได้หลอนทั้งรักทั้งกลัว แต่ถึงยังไงเชษฐาหรือใครก็ไม่อาจยั่งทราบไปถึงอารมณ์อันลึกลับที่ซ่อนเร้นอยู่ลึกซึ้งของแม่สาวเลือดผสมผู้ร้อนแรงได้ในกรณีที่เหตุใดในภาวะวิกฤตขีดสุดเช่นนั้นลนถึงได้กระทำการแบบบ้าระหมโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนเองมันเป็นสัญชาตญาณประชดประชันเพื่อหาสิ่งตอบแทนชดเชยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแน่ละบัดนี้สัญชาตญาณเรียกร้องชนิดนั้น เสื่อมเศร้าสงบลงแล้วเพราะได้รับการสนองอย่างสมมาตรปรารถนาบางทีแงาสายอาจพูดกับพรานใหญ่ไว้ถูกต้องในหลักของจิตวิทยาตราบใดก็ตามที่รพินไพรวันยังทำตัวเฉยเมยไม่ตอบสนองความต้องการอันร้อนรุ่มของหล่อนให้สัมฤทธิผลสมปรารถนาลงไปตราบนั้นผู้หญิงอย่างมาเรียฮอฟมันก็อาจสร้างความยุ่งยากไม่จบสิ้น และจะเกิดขึ้นในรูปแปลกๆชนิดคาดคิดไปไม่ถึงซึ่งมันเป็นผลกระทบกระเทือนเดือดร้อนถึงกันไปหมดทุกคนอย่าเมื่อร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่กลางป่าเช่นนี้ทำไมหล่อนจะไม่รู้ว่าคนอย่างระพินไฟวันเพราะให้หล่อนตกอยู่ในภาวะเสียงอันตรายตามลำพังเช่นนั้นคนเดียวไม่ได้อย่าว่าแต่หล่อนเลยถึงแม้จะเป็นลูกหาชีวิตไร้ค่าสักคนเขาก็ไม่มีวันทอดทิ้ง เมื่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าเห็นตําตาอยู่เช่นนั้นจิตนาของแม่มสาวที่กระทําลงไปแล้วก็คือต้องการจะเหนี่ยวรังฟ้านใหญ่ให้เผชิญหน้ากับอันตรายร้ายแรงร่วมกับหล่อนนั่นเองเพียงแต่หล่อนหารู่ล่วงหน้าไม่เท่านั้นว่าเหตุการณ์มันจะล่วงเลยไปจนถึงต้องเข้าไปติดขังอยู่ใต้ภูเขาด้วยกันตลอดทั้งคืนและหล่อนสมหวังในตัวเขาอย่างที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้นานแล้วซึ่งไม่มีอะไรที่หล่อนจะพอใจมากไปกว่านี้ ฉันเสียใจครับพี่ใหญ่และรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกลอนรับปากสัญญากระเชิดถามเบาๆท่านหัวหน้าคณะมองไปทางพรานใหญ่นะแล้วก็ไอ้ยักษ์นั่นล่ะว่ายัางไงคุณว่ามันยังอยู่หรือเปล่าภายหลังจากแผ่นดินไหวแล้วระพินตกอยู่ในอาการคร้ครวนเขาก็เพิ่งจะมีโอกาสได้คิดไปถึงเจ้าไทแรนโนซอรัสคู่ปรับอีกครั้งเมื่อท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นนี้เอง พร้อมกันก็พยายามนึกวาดไปถึงเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เห็นก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นก็อย่างที่ผมได้ล่าฟังนั่นแหละครับคุณชายเมล้มลงหมดสติผมยืนอยู่ใกล้ๆเตรียมกระสุนนัดสุดท้ายที่จะแลกกมันแต่แล้วก่อนที่มันจะชะงโงกคอลงมาถึงนั่นแหละแผ่นดินไหวขึ้นซะก่อนตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกตัวด้วยซ้าสิครับว่าเกิดอาเพศอะไรขึ้นเห็นมันชะงัก แสดงอาการตื่นตกใจและส่งเสียงร้องก้องขึ้นจากนั้นก็พละหันหลังวิ่งพรวดพราดพละหนีไปแผ่นดินเริ่มไหวแรงขึ้นแล้วราวฉานแตกแยกเป็นเสียงเสียงผมปลุกเมได้สติขึ้นมาอีกครั้งก็พากันวิ่งหาที่หลบไม่ได้สังเกตอีกเลยว่ามันไปทางไหนมันกับเราตกอยู่ในสภาพเดียวกันละครืคอต่างฝ่ายต่างหนีเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติจนกระทั่งเราสองคนวิ่งหลบเข้าไปในถา้า และก้อนหินบนภูเขาด้านบนท่าลมลงมาทับปิดปากทางไว้เดาไม่ถูกว่ามันหนีรอดไปได้หรือว่าไปตายเพราะถูกแผ่นดินสูบอยู่ตรงไหนเหมือนกันเชี่ธารีตาลงค่อยค่อยลุกขึ้นยืนทอสายตามองไปยังภูมิประเทศต่ำลงไปเบื้องล่างซึ่งเต็ไมไปด้วยริ้วรอยการแยกราวของแผ่นดินและสภาพภูเขาหินที่ถล่มทลายราวกับถูกระเบิดไฮโดรเจน มีไอหรือควันลอยกล่นขึ้นมาจากแผ่นดินอบอวนอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะแลไปทางด้านใดแล้วโคลงสีสะช้าๆอย่างอเนกอหนาสยองใจต่อริทร้ายของธรรมชาติมันเป็นการไหวครั้งใหญ่ทีเดียวเขาพึทพาภูมิประเทศเปลี่ยนไปหมดแต่เท่าที่เดินตรวจผ่านมาแล้วเมื่อเช้านี่เนื้อมองไม่เห็นร่องรอยการถูกทาลายของเจ้าไดาโนเสาร์ตัวนั้นนะบางทีมันอาจหนีเอตัวรอดไปได้ก็ได้ ก็นับว่าเหือสวรรค์ชื้อบันดาลให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในนาทีวิกฤตที่สุดเป็นการช่วยชีวิตคุณกำเมไว้อย่างหวุดหวิดทีเดียวและเชษฐาก็แจ้งให้เขาทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเย็นหวานเรากับจะมีบันดาลให้โลกเสี่ยวส่วนนี้กลายเป็นโลกใหม่ขึ้นมาผู้เขาเปลี่ยนรูปร่างลักษณะบริเวณที่เคยเป็นเนินกลับกลายเป็นที่ราบต่ําที่ลุ่ม ก็เปลี่ยนเป็นที่ดอนสลับกันไปหมดลักษณะเดิมอันเต็มด้วยความแห้งแรงกันดานน้ำบัดนี้ปรากฏเป็นลำธารเลนน้ำผุดพลูขึ้นทั่วไปเพียงแต่บางแห่งเป็นทานน้ำร้อนอันเต็มไปด้วยรกรดกรรมถันชนิดที่แทบจะลวกเนื้อให้สุกไปในพริบตาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสชนิดนี้เชษฐาลคณะสามารถสารวจพบได้ก่อนหน้ารพินกับเมย ผู้เพิ่งจะโลกมาเห็นท้องฟ้าใยนอุนอุณหภูมิดินฟ้าอากาศก็ดูจะพลอยแปลงเปลี่ยนไปหมดจากการหนาวเย็นแทบจะแข็งตายในเวลากลางคืนของสถานถิ่นนี้กลับปรากฏว่าไอระอุ ข, ของความร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินช่วยปรับอากาศให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่หนาวเย็นทรมานประดุดขั้วโลกเหมือนแต่ก่อนแต่แน่ละ่ะในระหว่างเวลากลางวัน มันก็ยิ่งทวีความร้อนอ้าวราวกับอยู่กลางทะเลทรายทีเดียวแล้วทุกคนก็อิ่มหนำเพร้อมด้วยสติปัญญาและพละงกำลังอีกครั้งภายในเวลาเพียงชั่วโมเสตที่นั่งพักผ่อนและใช้เป็นเวลาปรึกษาหาหรือสัพผะ ป, ปัญหามีลำธารเล็กๆ เ, เกิดขึ้นใหม่ใต้เนินที่ทั้งหมดนั่งพักกันอยู่ในขณะนี้คณะของเชษฐาสำรวจผ่านพบก่อนที่จะขึ้นมาบนเนินต่างจึงเคลื่อนย้ายลงมาตั้งหลักอยู่ที่นั่นชั่วคราว ยิชยภูมิตรงบริเวณอันเป็นที่ร่มบางแดดไว้ท้าน้ำไหลที่เกิดขึ้นใหม่ท่ามกลางดินแดนอันแห้งแรงนั้นสันนิษฐานว่าเดิมเป็นทานใต้ดินไหลผ่านใต้ภูเขาแล้วทะลักแยกแควออกมาทางรอยปริแตกของหุบหินอุณหภูมิของน้ำไม่ถึงกระรอนจัดแต่อุ่นและมีกลิ่นไอของก ร, รมถันเจือปนอยู่เบาบางต่างอาบน้าชำระสาบสางที่หมักหมมกันมานานวันเพื่อความชุ่มชื่น เตรียมพร้อมสาหรับการบุกบั่นต่อไปปัญหาเรื่องการส่ะแสวงหาอาหารหรือเสบียงสำรองเพื่อระยะทางช่วงนี้เป็นอันคลี่คลายไปได้เปลาะหนึ่งจากเนื้อของนกใหญ่ซึ่งเหมือนสวรรค์อนุเคราะห์มาให้ยามคับขันเข้าตาจนไม่มีใครสนใจคํานึงถึงรสชาติของมันว่าเป็นยังไงขอเพียงให้หนักกร ะ, ระเพาะปะทะปะทางชีพไปก่อนเท่านั้นก็พอในการอย่างสมรรถภาพของผู้ร่วมคณะทุกคน เฉตหาก็แน่ใจว่าการเดินทางจะเริ่มได้ต่อไปโดยไม่มีอุปสรรคในเมื่อตัวเขาเองซึ่งจัดได้ว่าโดยสภาพทางร่างกายในปัจจุบันอ่อนแอกว่าบุคคลอื่นๆแต่สำหรับวันนี้ก็กระปรีก้กระเปล่าขึ้นมากเขาเดินได้คล่องกว่าวานันวันถ้าคุณชายไหวเพียงคนเดียวคนอื่นก็ไม่เป็นปัญหาล้ครับพ่านใหญ่ให้ความมั่นใจแก่เขาเช่นนี้ถ้างั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนเดิมแล้วกัน ครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแ่ะครับคุณคิดว่าการที่ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปหมดเช่นนี้จะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของเราทำให้ลาบากล่าช้ากว่าเดิมหรือเปล่าล่ะรพินรพินยังไม่ตอบในทันทีนั้นขณะนั้นเขาใช้กล้องส่องสำรวจดูภูมิประเทศรอบด้านซึ่งแลดูเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งอันสงบซึมอยู่ในความวิเวกวางเวกมันแลไดในสองทัศนะ ทั้งความสวยงามตามธรรมชาติและความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างน่าสะพึงกลัวร่องรอยของแผ่นดินไหวสร้างทัศนียภาพใหม่ที่แปลตาขึ้นแพกไปจากรูปรอยเดิมจนจำไม่ได้ทิศเท่านั้นที่จะเป็นที่หมายให้ยึดเหนียวเป็นหลักได้ในขณะนี้ก็มีอยู่สองอย่างนะครับคุณชายคือถ้าไม่ยากขึ้นก็อาจง่ายขึ้นผมวิตกอยู่เหมือนกันครับว่า ที่หมายในแผนที่ลายแทงของมังมหาราชาถูกทาลายลบหายหรือเปลี่ยนรูปเดิมไปหมดทำให้เราค้นหาไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางเมื่อพ้นจากทะเลสาบมรณะไปแล้วมันเป็นอุบัติการทางธรรมชาติที่ประจวบเหมาะเกิดขึ้นอย่างช่วยอะไรไม่ได้เลยภูมิประเทศแถบนี้คงจะอยู่มาได้เป็นพันๆหรือหมื่นๆปีแต่กลับมาเปลี่ยนแปลงเพราะแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เองแต่จะยังไงก็ตามนะครับ เราก็ต้องพยายามกันจนสุดกำลังทุกฝีก้าวย่างของเราเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่เราก็ต้องต่อสู้กับมันจนถึงที่สุดแล้วครับท่านหัวหน้าคณะยิ้มออกมาอย่างพอใจเข้ามาตบไหล่หนั ก, ห น, กหน่วงด้วยนักถือน้ำใจและเชื่อมั่นเต็มเปีย่ยมผมไม่เสียดายชีวิตทั้งชีวิตที่มาร่วมกับคุณในครั้งนี้เลยละพินถึงแม้ว่าเราจะล้มเหลวหรือต้องตายลงในครั้งนี้โดยปราศจากผม ผมก็ภูมิใจแล้วที่ผมได้คนดีที่สุดเป็นผู้นำทางโดยตัดสินใจเลือกไม่ผิดคำพังเพยกล่าวไว้ว่าอุปสรรคคือขนทางแห่งความสำเร็จก่อนนี้นะผมก็ไม่สนใจอะไรนักนะเห็นว่ามันเป็นคำพูดแบบสุดสำเร็จเพื่อปลอบใจจากพวกปรัชญาเมธีซะมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ผมแลเห็นคุณค่าของถ้อยคำประโยคนี้ขึ้นมาแล้วล่ะมันเป็นเครื่องกระตุ้นให้รามูมานะและพยายามต่อไปอย่างไม่ท้อถอย เป็นคติประจําใจเมื่อคนเรารเผชิญหน้ากับความยากแค้นแสนเข็นและกําลังจะสิ้นหวังผมยังจําได้เมื่อแรกก่อนจะออกเดินทางคุณได้ตักเตือนห้ามปราบเราไว้ยังไงแต่เมื่อเราดื้อดึงจะบุกบั่นฟันฝ่ามาให้ได้คุณก็กลับเป็นฝ่ายปลุกปลอบให้กําลังใจแกเราโดยตลอดเหมือนกันไม่เคยพูดหรือทําอะไรอะไรให้ผิดหวังบัญทอนขวัญเลยแล้วทาไมว่าคุณบอกว่าไม่มีทางสะคําเดียวเท่านั้น พวกเราก็คงจะหมดแรงกันไปนานแล้วผมเพิ่งจะมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองที่ใครๆก็ล่ำลือกันว่าระพินรไทวันเป็นพรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นมันหมายถึงอะไรมันไม่ได้หมายถึงฝีไม้ลายมือซึ่งใครๆก็อาจฝึกปรือเรียนแบบขึ้นมาได้หากแต่มันหมายถึงวิญญาณของนักต่อสู้อันเข้มข้นและกล้าวกแกร่งที่สุดใช่มากกว่าระพินน้ำใจของคุณนะมันยิ่งใหญ่กว่าฝีมือซะอีกนะ ยอมพรานก้มศีรษะให้แกนายจ้างผู้สูงสักของเขาอย่างคารวะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับคุณชายที่ยกย่องให้เกียรติผมแต่ผมก็ไม่อาจรับต่อคําสรรเสือนี้เต็มที่นักนะครับผมรู้เพียงแต่ว่าผมมีหน้าที่และภาระผูกพันอยู่กับท่านผู้เป็นนายจ้างของผมและจะต้องทํางานชิ้นนี้ไปจนกว่าตัวเองตายหรือ ง, งานสําเร็จสุดแต่อย่างใดจะมาถึงก่อนกันไม่มีการทอดทิ้งหรือหลีกหลบ ตามปกติแล้วผมเองเป็นคนที่ไม่ชอบงานยากหรืองานที่เสี่ยงเกินไปนักแต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้และจําเป็นต้องเผชิญกับมันผมถือเสมอว่าอุปสรรคขวางน้ำทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องเสริมให้ผมมีกำลังใจที่จะฟันฝ่าต่อสู้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาชนะมันให้ได้นี่ระพิมพ์ได้ลองอยังเสียงคว่างความเห็นจากลูกน้องคุณบ้างหรื อ, อยังพวกนี้เขารู้สึกยังไงบ้าง ระพินกิชายันกระสิบฐานระพินไพยวันยิ้มกว้างๆไม่ต้องห่วงคนของผมนะครับขยินหรือแม้แต่ส่างปาพวกนี้สู้ตายทุกคนขออย่างเดียวเท่านั้นให้คณะเจ้านายแสดงความเข้มแข็งเป็นหลักไว้เท่านั้นทุกคนก้าวมาสู่เพดานสุดยอดของความเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้ามันจะหนักหนาสักแค่ไหนก็คงไม่หนักกว่านี้อีกแล้วละครสิ่งที่ผ่านไปชิญกันมาน่ สร้างความเคยชินให้แก่พวกเราทุกคนจนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดและอย่างที่เรียนแล้วพวกเราในฐานะหัวหน้าผู้นาอย่าแสดงความท้อถอยอ่อนแอเห้าเห็นเป็นพอเขาจะตายร่วมกับเราได้ทุกขณะไม่มีใครขวัญเสียหรือแสดงความขลาดเห็นแก่ตัวเลยไม่เพียงแต่ผมเท่านั้นที่พวกเขาเชื่อมั่นนับถือคุณชายและคณะเจ้านายทุกคนก็ยังได้แสดงทาดแท้ของความเป็นนักต่อสู้อันทรโครด น่านับถือให้พวกเขาทราบซึ้งยกย่องกันอยู่ทุกคนคนเรานะครับลงได้มีความศรัทธาเชื่อมั่นกันอย่างแน่นแฟนแล้วเช่นนี้ก็เลิกกังวลได้ถึงไหนถึงกันครับแล้วก็เป็นความจริงตามที่พรานใหญ่รับรองภายหลังจากที่เชิดาเรียกคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมประชุมหารือเพื่อจับหางเสียงก็พบว่าทุกคนที่เป็นบริวารโดยเฉพาะของระพินหรือแม้แต่ขยินและสางตา ซึ่งดูผาผ่าเพราะเป็นคนคลาตาขาวที่สุดคนเหล่านั้นไม่มีปฏิกิริยาใดๆอันจะสอให้เห็นถึงความหวาดวันพรั่นพรึงเลยคนเราอย่างมากก็แค่ตายตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดก็ช่างมันแต่พวกเราพร้อมที่จะตายกับพรานใหญ่และเจ้านายทุกคนแต่ถ้าบุญคำบอกด้วยเสียงหนักแน่นเป็นตัวแทนให้แกลูกน้องแกอีกสามคนส่วนสางปาตายหรือไม่ไม่สาคัญ ขอมีนายสาวมาเรียของมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นสิ่งที่จะขาดไม่ได้อย่างก็คือกันชานี่ดูเหมือนจะจำเป็นยิ่งกว่าอาหารเสียซ้าไปสำหรับเจ้าองคุรีมานแห่งหลุมช้างตอบสั้นๆตามสัญดานของมันว่าพรานใหญ่ไม่ถอยใครยินก็ไม่ถอยนายล้วชยันก็ต่อให้อยังรู้เส้นว่าแต่ถ้าพรานใหญ่ถอยใครยินถอยได้เร็วกว่าพรานใหญ่ซะอีกจริงไหม ซึ่งมันก็ได้แต่ยิ้มใแย่ๆพยักหน้ารับโดยดีแต่มีข้อแม้ตอบโต้อ่อยๆว่าความจริงนะขยินอยากจะถอยเร็วกว่าพรานใหญ่แต่ขยินก็วิ่งได้ไม่เร็วไปกว่าพรานใหญ่สักครั้งเงี้ยสายจอมพเนจรไม่อยู่ในข่ายที่คณะเจ้านายคนใดจะต้องกังวลถึงในข้อนี้เพราะต่างกระหนักแน่อยู่แก่ใจแล้วว่าต่อให้ทุกคนหันหลังกลับหมดเจ้าคนลึกลับผู้นี้ ก็คงจะต้องบุกเดียวต่อไปตามลำพังของมันคนเดียวเพื่อข้าวให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ด้วย ว, วัตถุประสงค์อันซ่อนเร้นซึ่งเป็นปมปัญหามาตลอดปัญญาชนในคราบของคนดงไม่ยุ่งกับใครไม่พูดหรือแสดงความเห็นเมื่อไม่มีใครสอบถามบัดนี้ถ้าใครจะเฝ้าสังเกตอยู่ย่อมจะเห็นได้ว่าเจ้ากระเรียงโฉมงามนั่งเจ้าสงบนิ่งอยู่บนยอดหินสูง เหมือนจะเป็นยามสังเกตการสายตาทอดมือออกไปยังภูมิภาพเบื้องหน้ายังปราศจากจุดหมายนานๆก็แงงขึ้นสังเกตตะวันอันเริ่มจะเคลื่อนตัวขึ้นสูงบนท้องฟ้าสักครั้งร่างนั้นมั่นคงแข็งแรงประดุดภูผาที่แวดล้อมรอบด้านตาอันชลาดรอบครอบของเชิฐาจับเงียบๆอยู่ที่ร่างนั้นตลอดเวลาพักกันอีกสักครู่ ก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อหัวหน้าคณะพูดเบาๆกับประพิน์และทุกคนที่รวมกลุ่มหารือกันอยู่นี่คุณชายแง่ายนำเหมือนอย่างครั้งแรกหรือจะนำเองเย่ยถึงแง่ทรายจะเป็นผู้นำทางก็ไม่แพดกผิดไปจากผมนักรครับคุณชายเพราะจะยังไงเสทุกฝีก้าวย่างผมก็ไม่ได้ปล่อยมันโดยเอกเทศอิสระสะทัทีเดียวผมคอยสังเกตอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน ถ้ารู้สึกว่าเห็นท่าไม่ดีผมก็จะทวงมันไว้วันนี้ผมก็จะใช้วิธีนั้นอีกแล้วครับบางทีระหว่างผมกับแง่สายอาจต้องหารือกันใกล้ชิดมากกว่าเดิมนะครับแง่สายอาจพบกับความลำบากใจอย่างเดียวกับที่เราคิดเป็นปัญหากันอยู่ขนาดนี้ก็ได้นะนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศซึ่งทำให้สับสนไปหมดและอาจมองหาทางไปไม่ถูกก็ได้สมมติว่าเราเชื่อในทฤษฎีที่ว่า เงซายมองเห็นทางเดินอยู่ก่อนแล้วในภาพนิมิตหรือภาพฝันชนัยชยันกล่าวแผ่วเบาตามประษาคนที่มักจะมีเรื่องวิตกวิจารณ์อยู่เสมอแต่ละพินยิ้มเล็กน้อยก็เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าภาพนิมิตหรือภาพฝันของเจ้าคนลึกลับน่ะมันจะไม่โปร่งหมดแล้วในกรณีที่มองเห็นล่วงหน้าซ้าไปว่าแผ่นดินจะไหวขึ้นและภูมิประเทศจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึง ซึ่งทางไปก็ปรากฏใสยอยู่แล้วภายในกระแสจิตของมันอีกอย่างหนึง่งถึงภูมิประเทศเปลี่ยนแต่ทิศหรือดวงตะวันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนี่ครับฉันเชื่ออย่างที่พรานใหญ่พูดนะราชสกุลสาวเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวงังสีหน้าเต็มไปด้วยความหวังอันเชื่อมั่นขณะที่แลไปยังร่างประดุษรอด้วยสำริดอันนั่งนิ่งราวกับปราศจากวิญญาณอยู่บนยอดหินของแง่ใส เจ้าคนใช้พิเศษของเรานั่นไม่ได้ลึกลับอยู่เฉพาะแต่ความเป็นมาหรืออากาศกิริยาท่วงท่าของเขาเท่านั้นหากแต่มีความลึกลับอยู่ในอำนาจจิตและประสาทส่วนรับรู้พิเศษของเขาด้วยโดยผูกพันอยู่กับแผนการเดินทางของเราในครั้งนี้หลายครั้งมาแล้วที่ฉันเฝ้าสังเกตยิงอยู่โดยผิวเผินเบื้องนอกเราจะเห็นว่ารบพินเป็นผู้นําทางครั้งนี้โดยหน้าที่แต่โดยทางอ้อม หรือทางที่เราไม่ได้เฉลียวคิดไปถึงเลยนั้นเงยสายอาจจะเป็นเข็มทิศสำคัญที่สุดนำขบวนการเดินทางของเราทั้งหมดถึงจะไม่ได้เป็นเข็มทิศให้เราโดยโตรง ก, ก็เป็นเข็มทิศสำหรับทรางใหญ่ที่จะอาศัยวัดและทดสอบอยู่ตลอดเวลากระพิ์คุณยอมรับในข้อที่ชั้นพูดนี่ไหมยอมพรานอึ้งไปครู่ก็ก้มศีรษะลงอย่างสงบเป็นความจริงครับผมยอมรับในข้อนี้ ผมต้องคอยจับตาดูมันอยู่ทุกขณะแล้วก็รู้ด้วยว่าในการนำของผมนั้นถ้าแม้ว่าจะผิดเส้นทางออกไปแล้วแงซสายจะต้องหาทางขัดขวางและชักนำเข้าสูท่ทิศที่ถูกต้องทันทีไม่โดย ว, วิธีใดก็วิธีหนึ่งที่ไม่ใช่บอกกันอย่างตรงๆเพราะฉะนั้นจะถือว่ามันเป็นเข็มทิศสําหรับผมก็ถูกเหมือนกันละครับอาการเช่นนี้ผมเพิ่งจะมาแน่ใจขึ้นภายหลังเมื่อเราเดินทางออกจากนิทรานครมาแล้วละครับระหว่างที่พูดกันถึ ง, งแง่สาย ชา ย, ยันกมาเรียก็มองตากันเงียบๆอย่างมีความหมายอดีตนายทหารปืนใหญ่อยากจะขยับปากเอ่ยอะไรออกมากับทุกคนอยู่หลายครั้งแต่สายตาของแม่มสาวที่แลนิ่งมายังเขาเชิงขอร้องปรามไว้เฉยๆว่าก่อนดีกว่าชา ย, ยันดวงตาสีผักตกคู่นั้นดูเหมือนจะบอกความหมายแก่เขาเช่นนั้นเชี ย, ยนชา ย, ยันจึงทนสงบเงียบอยู่ทั้งๆที่คันปากเต็มที อยากจะตะโกนบอกกระเชิฐาดารินและรพินว่าไอ้คนใช้พิเศษที่ร่วมเดินทางมาด้วยเยี่ยงคราบภายนอกของคนดงพระเจนจรนั้นแท้ที่จริงมีดีกรีทางอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมีชื่อของโลกที่เดียวถ้าเะนั้นฉันก็เข้าใจได้ถูกต้องนะนักมนุษยวิทยาสาวเลือดราชสกุลกล่าวต่อไปด้วยอาการไตรตรองลึกซึ้งจากสมองชาญฉลาดและช่างสังเกตอย่างเช่นที่เย็นวันนี้ก็เหมือนกัน ตอนที่คุณแยกหายไปอย่างปราศจากวี่แววขณะที่แผ่นดินไหวเงร า, ายบอกพวกเราได้ถูกต้องว่าคุณกเมจะต้องติดอยู่ในถ้าใต้ภูเขาที่ใดที่หนึง่งทำให้ไม่สามารถจะได้ยินเสียงปืนที่ยิงเรียกและติดต่อส่งข่าวไม่ได้เขารับรองกับพวกเราว่าพรุ่งนี้อันหมายถึงวันนี้เขาจะค้นหาคุณกเมให้ได้ครั้นรุ่งขึ้นคือเช้าวันนี้เขาก็นําเราย้อนกลับมายังบริเวณที่เก่าอันเป็นตรงที่คุณกเมปาทากไทร์นโนสรัส ทั้งๆ ท, ที่ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแงซสายก็ยังนําทางมาได้ถูกนี่แปลว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศภายหลังแผ่นดินไหวไม่ได้ทําให้แงซสายหลงทางได้เลยต่อมาเราก็มาถูกนกอินทรีคู่นั้นโจมตีโฉปอหอสัมภระไปเขาก็บอกได้ทันทีว่ามันจะต้องมีรังอยู่บนยอดภูเขาใกล้ๆนี่ที่ใดที่หนึง่งและขอออกติดตามล่วงหน้ามาพร้อมกับขยินจนกระทั่งวาระสุดท้าย เขาก็เป็นคนยิงนกอินทรีตัวนั้นช่วยชีวิตคุณไว้ได้อย่างหวุดวิดก่อนจะตกเป็นเหยื่อมันทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ราวกับว่าแงา่สายจะรู้เห็นล่วงหน้ามาก่อนแล้วอย่างแม่นยำที่สุดคำพูดอันเต็มไปด้วยเหตุผลชวนคิดของดารินทำให้ทุกคนยอมรับอยู่ภายในแม้จะไม่แสดงออกมาโดยคำพูดก็ตามระหว่างที่ทุกคนผลัดกันแยกย้ายไปอาบน้าก่อนหน้าเคลื่อนย้าย ระพินแยกไปนั่งเอาพลาสเตอร์ปิดแผลอันปรากฏอยู่แทบจะทั่วทั้งตัวของเขาอยู่ตามลำพังในซอกกินรับตาตอนหนึง่งปลายลำทานแล้วเงาของเงาทรายก็โลู่ขึ้นมาปรากฏตรงหน้าเงียเนีเราจะไม่อยู่อยู่ที่นี่นานไม่ใช่เหรอครับผู้ ก, กองคำถามนั้นมีมาเบาๆอย่างสุภาพสํารวมจอมพรานลืบขึ้นแวบเดียวแล้วก้มลงสารวณปิดพลาสเตอร์ตามแขนขาต่อไป คำสั่งนายใหญ่มีมาแล้วให้เราเดินทางต่อเวลาเที่ยงตรงพี่กองจะนำเองหรือจะให้ผมนำตามคำสั่งเดิมนะครับจะมีอะไรยุ่งยากสําหรับแกมากไหมถ้าฉันจใจแกนําไปตามเดิมจนกว่าจะถึงทะเลสาบมรณะแต่ภูมิประเทศเส้นทางมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเงา ย, ายเอ่ยขึ้นลอยลอยออมเสียงอยู่เช่นนั้นแต่มันก็ไม่เหลือบากว่าแรงอะไรนักสําหรับแก ถ้าแกต้องการจะไปให้ถึงไม่ใช่เหรอแต่ก็ต้องหมายความว่าผู้กองต้องช่วยผมด้วยนะครับเอาละ่ะเงีย้ยไซเรามาสัญญากันและกันว่าเราจะร่วมมือกันในการหาเส้นทางถ้าแกสงสัยหรือลังเลหาหรือฉันได้เท่าๆกับที่ฉันเกิดมีปัญหาฉันก็จะปรึกษาแกรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากคู่นั้นขณะที่ก้มศีรษะให้เขานิดนึง ในลักษณะโค้งคำนับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้กองให้เกียรติผมโดยตกลงกันด้วยวาจาอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้อืมเพราะฉะนั้นแกก็ต้องคำนึงถึงเกียรติยศของลูกผู้ชายด้วยนะอย่าออกลูกไม้เล่นกลอะไรอีกขอรู้ไว้ด้วยวันนี้เนะี่ยฉันขอพูดกับแกอย่างเปิดใจเลยฉันนไม่เคยคิดว่าฉันมีอะไรที่มันเหนือกว่าแกหรอกแล้วก็ยอมรับว่าแกเป็นบุคคลฉันสามารถคนหนะึ่ง อะไรต่ออะไรก็รู้กันอยู่แล้วระหว่างแกกับฉันเพียงแต่ว่าโดยฐานะหน้ า, นาที่หรือตำแหน่งแล้วฉันเป็นหัวหน้าของแกเท่านั้นฉันช่วยชีวิตแกไว้หลายครั้งแกก็ช่วยชีวิตฉันไว้หลายหนไม่มีใครตกเป็นหนี้ใครการเดินทางครั้งนี้ถ้าแกไม่ร่วมมือกับฉันอย่างจริงใจบริสุทธิ์ใจฉันก็รู้ว่าอนาคตของพวกเราทั้งหมดรวมทั้งตัวแกด้วยคือความหายนะขอยเลิกเล่นเล่ยเลี่ยมเพทุบาย หรือความคิดที่จะลองดีเช่นเสทีจะได้ไหมแง่สายสัส่นศีรั่แช่มชาสายตาที่ทอดมายังเขาเป็นเร็กประกายอ่อนโยนคาราวะแต่ยิ้มที่จับอยู่ยังเรียวริมฝีปากนั้นยังคงเป็นยิ้มที่ยากจะทำนานได้อยู่นั่นเองผู้กองครับเป็นความสัตว์จริงนะครับผมไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นผู้กองระแวงผมมากเกินไป อาวุโสทุกด้านของผมน่ะต่ำกว่าผู้กองทั้งสิน้นแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะคิดไปเสมอหรือวัดรอยเท้าผมคาระวะนับถือผู้กองด้วยน้ำใสใจจริงทั้งด้านน้ำใจและฝีมือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมิฉะนั้นผมจะไม่ขอติดตามผู้กองมันในครั้งนี้ด้วยหรอกอย่างไรก็ตามเพื่อผู้กองสบายใจผมขอปฏิญาณว่าจะไม่กระทำการใดๆให้ผู้กองพิจารณาผมในแง่ารายอีกดีมาก แกถูกมาก็ดีแล้วไงซรา ย, ายวานอะไรหน่อยได้ไหมดารินวราฤทธิ์กำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นรอเวลาเอาแรงอยู่ใต้ร่มเงาหินรอนรู้สึกตัวลืมตาและลุกขึ้นนั่งโดยเร็วเมื่อเห็นเจ้าองครักษ์พิเศษมาสุกตัวอยู่ทางด้านปลายเท้ามีไรเหรอไงซรา ย, ายผู้กองใช้ผมมาขอยาจากนายหญิงครับหมอดารินขมวดคิ้วอย่างแปลกใจ ขอยาเหรอยาอะไรก็ยาแก้ปวดแก้อักเสบก็สั่งมาแค่นี้ครับแต่ผมสังเกตเห็นบาดแผลรอบตัวของผู้กองมันทำท่าไม่ดีนักนะครับบาดแผลกำลังจะกลัดหนองราชาสกุลสาวหันไปทางหีบเครื่องเวชภันฑุ์โดยเร็วแต่แล้วก็ชะ ง, งักเม้มริมฝีปากเบาๆหันมาจ้องหน้าเรียบเฉยของแง่ทรายแล้วเลือกคิว้วเอ๊ะแล้วทาไมจะต้องให้เธอมาขอด้วย ต้องการยาทำไมไม่มาขอเองจากฉันนะผมไม่ทราบครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนโน่นครับริมทานน้ำในโขดหินไกลออกไปโน่นร่อนมองตามการชี้บอกแล้วโยนกล่องยาลงไปในหีบตามเดิมบอกว่าไปบอกเขาแงาซายว่าฉันสั่งไปว่าถ้าต้องการยาหรือต้องการหมอก็ให้มาหาฉันเองไม่จำเป็นจะต้องให้ใครเป็นตัวแทนมาหรอก ไงทร า, ายรับคำอย่างสงบแล้วลุกขึ้นเดินหายไปสิบนาทีก็แล้วสิบห้านาทีก็แล้วไม่ปรากฏเงาของคนชื่อรพินไพรวันจะโผล่มาให้หล่อนเห็นเห็นแต่แงทร า, ายเดินออกมาจากหมูโ่โขดหินที่เดินหายเข้าไปเมื่อครู่นี้แล้วก็ไม่ได้สนใจจะกลับมารายงานอะไรหล่อนอีกหากแต่เดินไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกพลานพื้นเมืองที่เตรียมจัดของอยู่